นะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธทัสสะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอนิจจาวตสังขาราอุปาาวะยธรรมิโ น, โน อุปชิตวานิรุชันติเตสังบูปสโมสุขโขขยะวยะธรรมมาสังขาราอปปมาเดนะสัมปาเดธาตีติวันนี้นับว่าเป็นวันหนึ่งนับตั้งแต่วันที่แปดมิถุนาที่หลวงปู่ของเราอาพาธหนัก แล้วก็วันที่เก้ามิถุนาหลวงปู่ได้จากไปหลวงปู่ฟักของเราได้จากไปจากลูกหลานคณะสัทายาญาติโยมพวกเรา เ, เห็นหลวงปู่รักเคารพนับถือองค์หลวงปู่ด้วยกันจึงได้เสียสละเวล่ำเวลามาประกอบหรือมาทำบุญในวันนี้พวกเราได้ เสียครูบาอาจารย์หรือว่าครูบาอาจารย์ได้จากพวกเราเหมือนกับร่มโพร่มใสที่จากพวกเราพวกเราเสมือนเป็นนกเป็นกาที่อาศัยร่มโพร่มใสคือครูบาอาจารย์เป็นผู้แนะนาเป็นผู้สั่งสอนเป็นผู้ให้ความรู้ความฉลาดท่านให้ทั้งการดูแลสุขภาพ ถ้าปู่ได้ทุกยากลำบากอย่างไรหลวงปู่ฟักของเราเป็นผู้มีเมตตาเป็นผู้จิตใจโอบอ้ อ, อมารีเป็นผู้จิตใจกว้างขวางจากนั้นท่านก็ได้แนะนำสั่งสอนพี่น้องคณะรัายาติโยมลูกหลานอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้พบได้เห็นมาโดยลำดับลาดับแต่บัดนี้หลวงปู่ของเราได้จากพวกเราไปแล้วได้นอนอยู่ที่เฮ hey. เหี้บที่ลงศพต่อหน้าของพวกเราท่านทั้งหลายท่านก็มีแต่มอบความรู้ความฉลาดหรือว่ามอบแต่คุณงามความดีท่านแนะนำสั่งสอนพวกเราให้รู้จักทำบุญทำทานอย่าตั้งอยู่ในความประมาทอันนี้ก็คือหลวงปู่ท่านต้องแนะนำสั่งสอนพวกเรามาโดยลำดับลาดับแต่หลวงพ่อเองก็รู้จัก หลวงปู่ของเราแต่สมัยเป็นพระน้อยพระนมหลวงพ่อเคยเข้ามาอยู่ที่วัดป่าบ้านตาแต่ก็ไม่เคยจําพรรษาร่วมกับหลวงปู่ฟักของเราท่านเข้าไปอยู่ก่อนจากนั้นท่านก็ได้ลงมาดูแลปฏิบัติโยมพ่อโยอมแม่ของท่านที่วัดเขาน้อยสัมผานแห่งนี้ในช่วงนั้นหลวงพ่อก็ได้อยู่ต่อ ที่วัดป่าบ้านตาแต่ไม่ได้จาพรรษาร่วมกันท่านลงมาก่อนจากนั้นก็เลยรู้จักมักคุ้นท่านตลอดเพราะถือว่าเป็นลูกพี่ว่าท่านเป็นลูกพี่แล้วว่าเป็นรุ่นพี่ของหลวงพ่อหลวงพ่อให้ความรักเคารพท่านมาตลอดแต่ละปีเนี่ยก็ไปมาหาสู่กันตลอดจากนั้นท่านก็ขึ้นไปกราบหรือขึ้นไปไม่ใช่กราบรไปคาระวะ พาญาติโยงขึ้นไปหาคุณแม่ชีแก้วก็ได้พบได้เจอกันบ่อยหลายครั้งแต่ละปีจากนั้นหลวงพ่อเองก็ได้สร้างเจดีคุณแม่ชีแก้วอย่างอริยสาวิกาที่แจกหนังสือไปสักครู่นี้หลวงปู่ของเราก็ให้การสนับสนุนเพราะท่านรักเคารพคุณแม่เหมือนกับคุณแม่ของท่านเหมือนกันแล้วก็คุณแม่ชีแก้วท่านก็ให้ความเมตตารักหลวงปู่ฟัก อย่างมากๆเหมือนกันเพราะท่านเคยอยู่ที่บ้านตาดด้วยกันเพราะนั้นคุณแม่กับหลวงปู่ฟักนี่ท่านให้ความรักเมตตาเหมือนกับลูกๆ ล, ลูกของท่านท่านหนึ่งอันนี้ก็หลวงตาเหมือนกันหลวงตามหาบัวท่านก็ให้ความเมตตาหลวงปู่ฟักอย่างสุดๆอย่างเมื่อกีน้นี่ท่านก็ไปกราบ หลวงปู่ไปกราบหลวงตาหลวงตาท่านไม่สบายในช่วงนี้หลวงปู่ฟักก็เข้าไปเหมือนกับลูกลูกที่ดีของพ่อของแม่เข้าไปกราบหลวงตาหลวงตากับเมตตาทุกอย่างที่หลวงปู่ฟักท่านอยากจะเป่าหลวงตาก็เอาเมตตาให้หลวงปู่ฟักเป่าท่านได้เหมือนกันแต่ตามปกติหลวงตาท่านจะไม่ให้ใครทําอะไรง่ายๆแต่นี้ท่านเห็นหลวงปู่ฟักเหมือนกับลูก ของท่านองค์หนึ่งท่านก็ให้ความเมตตานี่แหละสรุปแล้วก็คือหลวงปู่ฟักของเรานี่ท่านเสมอต้นเสมอปลายรักเคารพพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็ให้ความอบอุ่นสําหรับหมู่พวกพี่น้องพี่พี่น้องๆทั้งหลายที่ได้ไปเจอไปพบกันก็ถือเสมือนว่าเป็นพี่แล้วก็ถือเป็นกันเองให้แก่พวกน้องๆทั้งหลายเมื่อท่านจากไป ในในฐานะที่หลวงพ่อเองเป็นน้อ ง, น, องน้องของท่านหลวงพ่อก็สะเทือนใจอย่างมากเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะโลกอันนี้เป็นโลกทั้งโลกโรคอันนี้จังทุกขังอนัตตาโรคอันนี้เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเราจะตั้งความปรารถนาหรือตั้งความในใจว่าข้าพเจ้าอายุแก่ซะก่อนข้าพเจ้าจึงจะจากโลกนี้ไป เเดี๋ยวนี้ยังข้าพเจ้ายังไม่สมควรที่จะตายข้าพเจ้าจะขออยู่อีกอนก็ไม่มีใครที่จะขอร้องยอมมาโทษได้พยามัจุราชได้เพราะนั้นทุกคนต้องถึงเมื่อถึงคราวเมื่อถึงจุดจบแล้วก็จะต้องจำจากหรือ จ, จากไปอย่างที่หลวงปู่ของเราท่านทั้งหลายนี่แหละไปแบบที่ว่าพวกเราไม่ได้คิด ว่าหลวงปู่จะไปเร็วถึงขนาดนี้ตั้งตัวไม่ทัน่าไงบางท่านบางคนพอได้ยินแล้วก็สลดใจน้ำตาอนองหน้าโดยที่ไม่ได้คิดได้อ่านวราะงแต่ฝ่ายพระสงฆ์คููบาอาจารย์ที่เป็นพี่พี่น้องๆก็เหมือนกันต่อไปก็คิดว่าหลวงปู่ท่ ย, ยคงจะมาหารือหรือว่าไปชมกับคณะสัตายาธิโจมวางแผน แต่ในจดหมายฉบับนั้นองหลวงตามหาบัวท่านก็ได้บอกว่าก่อนเข้าพรรษานี้คงจะไม่เหมาะเพราะว่าตินฟ้าอากาศฝนตกชุกเวลาคณะทา ญ, ญาิโจมมาพระราชทานเพลิงศพอมาประชุมเพลิงศพของหลวงปู่ฟักของเราก็อาจจะมีฝนตกในในช่วงนั้น เ, เมื่อฝนตกขึ้นมาทั้งผู้สูงอายุมาร่วมงาน อาจจะได้เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นหวัดเป็นไอกลับบ้านก็ได้เพราะเหตุว่าเป็นเวลาหน้าฝนหลวงตาท่านก็นเลยคงจะคิดนะหลวงตาคงจะคิดเพราะท่านเคยมาอยู่จังหวัดจันทร์มืปีหนึ่งนะหลวงตาหมหาบัวเคยมาจำพรรษาที่จันท บ, บุรีของเราที่วัดสถานีทดลองปี2องพัี้้าหลวงพ่อจำไม่ผิดนะ แล้วก็ท่านก็คงจะรู้ฤทธิเห็นเดชว่าภาคตะวันออกของเราเนี่ยเป็นภาคที่ฝนตกชุกภาคหนึ่งไม่แพ้ภาคใต้เพราะนั้นท่านจึงไม่ให้ไปชมเพลิงหลวงปู่ฟักของเราแต่ตามปกติหลวงตามหาบัวท่านจะไม่ให้เอาไว้ถึง15้าวันนะทุกองค์ที่ผ่านผ่านมาที่ลุงพ่อเห็น พอเจ็ดวันแล้วก็ท่านก็ให้ประชุมเพิงเก็บไว้ทำไมถ้าเก็บไว้จะจะทำปลาร้าก็ไม่ได้จะทำปลาจมก็ไม่ได้มีแต่เผากับฝังเท่านั้นแหะตายแล้วจะทำยังไงอันนี้โดยมากท่านจะทำอย่างนั้นท่านจะพูดอย่างนั้นแต่หลวงปู่ฟักท่านให้ให้ผ่านหน้าฝนไปก่อนอันนี้ก็คือความเมตตาขององค์หลวงตาแล้วก็มาพูดถึงมากล่าวถึง การทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลหลวงปู่ฟักของเราท่านอายุถึง7 77、77เปีก็นับว่าท่านได้ได้กำไรได้กำไรชีวิตเพราะว่าพระพทุทธเจ้าหรือว่าศาสนาพุทธพระพุทธองค์บอกว่าร้อปีเป็นอายุไข20ปีครบ10ปีครบ25ปีครบรอบ ร้อยปีครบรอบอคนอายุลดลงปีหนึ่งแต่นี้เดี๋ยวนี้อท่านทั้งหลายคนทหลายก็บอกว่าอายุเจ็ดสิบห้าปีเป็นอายุไขออายุเจ็ดสิบห้าเป็นเป็นอายุไขแต่หลวงปู่ฟักของเราเนี่ยอายุเจ็ดสิบเจ็ดได้กําไรไปสองปี 75, 76, นะเจ็ดสิบ้าเจ็ดหกเจ็ดสิบเจ็ดนะท่านกําไรไปสองปีคืออายุของคนเนี่ยอายุเจ็ดสิบห้าปี แต่ถึงยังไงหลวงปู่ของเราก็ได้ทำคุณประโยชน์ไว้ในพระพุทธศาสนาอย่างมากมายอย่างที่องค์หลวงตาท่านประกาศช่วยชาติหลวงปู่ฟักของเราเนี่เป็นแนวหน้าเป็นแถวหน้าที่ได้ช่วยหาทองคำช่วยหลวงตาเข้าคลังหลวงอันนี้เป็นที่ประจักษ์พยานหลวงพ่อเคยมาร่วมงานที่หลวงปูที่ท่านจัดขึ้นที่วัดเขาน้ยสามผาน สองสามครั้งท่านหลวงพ่อจําไม่ผิดนะจากนั้นท่านก็ดวมคณะศรัทธาญาติโยม เ, เข้าไปถวายหลวงตาอีกก็นับครั้งไม่ท้วนอีกเหมือนกันคือท่านให้ความรักเคารพในองค์หลวงตามหาบัวอย่างมากๆเพราะฉะนั้นในคราวนี้หลวงพ่อเองก็บอกกับพระพวกน้องๆทั้งหลายหรือคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลาย หลวงปู่ท่านได้จากไปแล้วพวกเราควรจะแสดงความกตัญญูกะตะเวทิตาตอนน่อในองค์ท่านอย่างไรพวกเมื่อก่อนท่านก็ได้มีมเมตตา เ, เป็นบุพการีใคล้ายๆว่าเป็นผู้มีพระคุณ เ, เป็นผู้มีพระคุณชาหระเรเบวพวกเราก็รู้แก่ใจว่าหลวงปู่ของเราเนี่ได้ทําอะไรให้แก่เราไว้บ้างบางทีท่านก็เอาทั้งเศษทั้งเปล่า ทั้งน้ำมนต์ทั้งนั่งภาวนาเมตตาให้แก่พวกเรามากมายหลายๆอย่างพวกเราก็ทุกคนก็ได้รับความเมตตาจากองค์หลวงปู่ปู่พักของพวกเราแต่บัดนี้หลวงปู่ของเราได้จากไปแล้วไม่มีวันกลับแต่พวกเราควรจะแสดงความกตัญญูกะตะเวทิตาอย่างไรแต่บางคนก็เออข้าพระเจ้าอยู่ไกล ข้าพเจ้ามาไม่ได้นานๆอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้มาพวกเราไม่ได้มาอย่างนี้หลวงพ่อว่าถ้าพวกเราแสดงความกตัญยูกตเวทิตานะหลวงพ่อว่าเนะี่ยทรงจะตุปัจจัยทางไปชนีทางไหนก็ได้มีตังเยอะแยะไปโอนเข้าบัญชีของท่านก็ได้เพราะพวกเราอยู่ไกลแต่ถ้าพกผู้อยู่ใกล้ก็มาช่วยการช่วยงานมาดูแล งานศพของท่านอันนี้ก็คือความแสดงแสดงความกตัญญูกับเวทีตาจากนั้นฝ่ายพระสงฆ์ก็เช่นเดียวกันหลวงพ่อก็เออเนี่ยหลวงปู่ของเราเหมือนกับพี่ของเราได้จากไปแล้วคณะสงฆ์ก็ควรมารวมกันแสดงความเคารพเคารพรักเคารพในหลวงปู่ของเราเพราะท่านฐานะเป็นพี่ของพวกเราพวกเราก็ควรจะแสดงความ กัตัญญูอีกเหมือนกันเอเพราะว่าท่านไม่มีวันกลับมาอีกแล้วเพราะนั้นขอให้คณะสัตยา ญ, ญาติโยมทุกหมู่ทุกเรานีา่ท่านหลวงปู่ของเราเนี่ยท่านมรณาภาพเป็นตัวอย่าง เ, าเป็นตัวอย่างพวกเราที่ท่านนอนอยู่นะั้นนี่แหละไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้เพราะนั้นหลวงพ่อจึงได้เขียนเป็นหนังสือนะ่ะว่าต่อต่อตฮ อ, ตอ ตอต่อต อ, ต อ, ตอคำนี้เรกว่าเตรียมตัวตายคาว่าเตรียมตัวตายนี่ทำยังไงเราไม่ต้องเตรีย ม, ยมหีบเตรียมลงเตรียมอุปกรณ์อะไรทั้งหมดเพียงว่าจะทำยังไงอีกสักวันหนึ่งข้าพเจ้าเนี่ยจะต้องหนีไม่พ้นเรื่องมรณะภยัยมรณะนังเมภาวิสติข้าจะต้องตายอีกสักวันหนึ่งข้างหน้า ไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้เรื่องความตายแต่ก่อนที่จะตายนั่นน่ะเราได้เตรียมตัวอะไรไว้บ้างได้เตรียมคุณงามความดีอะไรไว้บ้างที่เป็นเครื่องอุ่นใจถ้าพวกเรายังไม่ได้เตรียมตัวก็ให้คิดเอาไว้คิดเอาไว้แต่เนิ่นๆเพราะเหตุไรเพราะว่าอีกสักวันหนึ่งข้าพเจ้าจะต้องได้จากโลกนี้ไปแต่ถ้าเราไม่ได้คิดไว้ก่อนถึงวันที่เราจะจากไป พอถึงวันนั้นเข้ามาเราก็คิดถึงคุณงามความดีคิดถึงบุญถึงกุศลของพวกเราเราก็จะพาวาพะวงคิดวิตกกังวลผลที่สุดก็เลยจากไปโดยที่ไม่เป็นที่ประสงค์พอจากไปแล้วก็เกิดพบหน้าชาติหน้าก็เป็นผู้ไม่มีบุญถ้าคนไม่มีบุญเนี่ยลำบากนะเหมือนกับคนไม่มีเงินถ้าเราเดินทางเราไม่มีเงิน เราจะลำบากแต่ถ้าเรามีเงินไปในสถานที่ใดเราก็ได้รับความสะดวกสบายเพราะอะไรเพราะเรามีเงินนี่ก็เหมือนกันก่อนที่พวกเราจะจากโลกนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวนี้พวกเราได้เตรียมจะเบี่ยงไว้ละอย่างเป็นที่อุ่นใจละอย่างเพราะในครั้งพบพ่อใหญเจ้าหลวงพ่อเคยพูดว่านี่แหละพ่อของนายช่างทองในกรุงสวัรถี อแต่ไม่เคยเข้าวัดแต่ลูกชายเนี่ยไปฟังเทศไปฟังธรรมกับพระพุทธเจา้าเป็นที่เคารพนับถืออย่างสุดซึ้งว่างั้นนอะในธรรมคาสอนของพระพุทธเจา้าพอได้ยินแล้วเอ๊จะทํำยังไงนาะพ่อของเราเนี่ยจะเข้าวัดเข้าวาจะได้ฟังเทศทำอย่างเราแต่ในพ่อนี่ไม่ยอมไปเลยเนี่ ย, ยแล้วจะทํำยังไงวันหนึ่ง ลูกชายก็เลยนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมพระสงฆ์มาฉันพัตนาหารที่บ้านของนายช่างทองอคือร้านร้านทองเหมือนกันแต่ร้านขายทองแล้วก็ช่างทําเครื่องรูปประพันธ์ด้วยทีนี้พอพระพุทธเจ้าเสด็จมาพราหมณ์ตอนนั้นถ้าไม่ไปจะทํำยังไงเพราะพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงบ้านแล้วพรามณ์ที่เป็นพ่อเนี่ก็อออกมาต้อนรับขับสู้เหมือนกันแต่ถวายพัฒนาหงพัตนาหันอะไร เนี่ยพราหมณ์ช่วยลูกไว้กันแต่ลูกหลายคนแต่เมื่อพระธองค์ฉันพระทหารเสร็จแล้วพระธองค์ก็ได้ปลาลบกับพราหมณ์ว่าที่พราหมณ์ที่เป็นพ่อของนายช่างทองนะั้บอกว่าอุบาสกเธอได้เตรียมสเสบียงไว้หรื อ, อยังเธอจะต้องเดินทางไกลนะโยมต้องเดินทางไกลนะได้เตรียมสเสบียงไว้หรื อ, อยังแล้วจะไปพักที่ไหน ได้คิดไว้แล้อย่างจะต้องเดินทางไกลแล้วจะไปพักที่ไหนถ้าว่าโยมไม่ได้เตรียมตัวไว้ถ้าถึงเวลาเดินทางโยมจะลําบากนะเอจะลําบากเพราะว่าไม่รู้จะพักที่ไหนอีกต่างหากแล้วก็ไม่ได้เตรียมตัวเอาไว้อีกต่างหากต้องคิดไว้นะอถ้าไม่คิดไว้แต่เดี๋ยวนี้แหละจะลําบากเพราะมีพบหน้าชาติหน้ามีพระองค์ ตรัสกล่าวอย่างนั้นคือความหมายก็คือว่าดูก่อนพรามตอก่อนอุบาสกท่านจะต้องตายนะก่อนที่ท่านจะตายนะั่นน่ะท่านได้เตรียมคุณงามความดีได้เตรียมบุญกุศลไว้เพียงพอหรือยังและเมื่อตายไปแล้วคุณจะไปพักที่ไหนจะไปเป็นมนุษย์หรือจะเป็นสวรรค์ชั้นไหนชั้นพรมชั้นไหนสวรรค์ชั้นไหนหรือจะมาเป็นมนุษย์ได้คิดไว้เลยอย่าง พอได้ยินคำนี้ก็สะดุ้งเหมือนกันบางงานเถะเออพราไม่เคยคิดไว้ก่อนว่าตัวเองจะตายมีแต่หมกมุ่นในการทําการทํางานมีแต่สสแสวงหาเงินหาทรัพย์สมบัตออิมีแต่อยากจะใหออ้บริษัททางร้านตัวเองจเจริญรุ่งเรืองด้วยทรัพย์สมบัตออิไม่ได้คิดว่าตัวเองจะจากโลกนี้ไปออไม่คิดว่าตัวเองจะตายพูดง่ายๆ แต่พอพอพระพุทธเจ้าเตือนเท่านั้นาพามณ์คนนี้เขาก็สำนึกได้โอ้ใช่จริงอย่างที่พระพุทธองค์ได้ตรัสได้สอนจากนั้นเขาก็เป็นผู้มีศีลมีธรรมจากนั้นท่านก็บำเพ็ญจนได้สําเร็จเป็นพระอริยะบุคคลเป็นพระโสดาบันนะนี่แหละอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้แนะนําสั่งสอนคณะสัตยาติโยมให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเพราะพระพุทธองค์ท่านรู้แล้วว่า ตายแล้วไม่ศูญตายแล้วเกิดอีกที่ พ, พระพุทธเจ้าไปตัดสรุปที่โคลนต้นโพธิ์ที่หลวงพ่อได้ย้ําแล้วย้ําอีกว่าปเุเพเนวาสานุสติญาณระลึกชาติได้ถ้า พ, พระพุทธองค์ระลึกระลึกชาติไม่ได้อถ้าไม่มีชาติ พ, พระพุทธองค์จะระลึกชาติคนหลังได้ยังไงอันนี้มีชาติที่แล้ว พ, พระพุทธองค์จึงระลึกชาติแล้วก็จุตูปปาตยานการจุดติของสรพสัตวเป็นมาอย่างไรเป็นไปอย่างไรคนที่มีบุญ เออมาเกิดแล้วคนที่มีบาปมาเกิดแล้วเป็นยังไงนี่แหละคนที่มีบุญกับมีบาปมามาเกิดเป็นยังไงพระพุทธองค์ก็รู้ได้ทั้งหมดแล้วออกจากชาตินี้แล้วคนที่มีบาปจะไปยังไงพระพุทธองค์ก็รู้อีกคนที่มีบุญจะไปที่ไหนพระพุทธองค์ก็รู้อีกนะเอออย่างพระยังโยมเศรษฐีในกรุงสวัรถี ที่ท่านปฏิบัติพระพุทธเจ้าจนได้สําเร็จเป็นพระโสดาบันจากนั้นก็พาลูกของท่านเข้าวัดวาศาสนาปฏิบัติศีล ป, ปฏิบัติธรรมแต่วันต่อมาท่านก็ป่วยหนักที่ไหเศรษฐีนี่ป่วยหนักท่านก็บอกให้ลูกชายของท่านไปนิมนต์พระมาสวดสติปัฏฐานสีให้พ่อฟังด้วยลูกคือ พระสงฆ์สวดอย่างที่สวดเมื่อกี้เนะี่ยแต่ท่านบรรยายเรื่องสติปัฏฐานสีคือเรื่องกายเวทนาจิตธรรมให้แก่เศรษฐีฟังเศรษฐีอยากจะฟังสาธยายของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมแต่ทีนี้ลูกก็ไปนิมนต์พระสงฆ์มาพอพระสงฆ์มาเศรษฐีตอนนั้นท่านก็นอนป่วยอยู่พระสงฆ์ก็คืนอ้าวโยม เดี๋ยวจะสวดจะติปทานสีหน้าพระสงฆ์ก็สวดข้อสวดไปได้หน่อยหนึ่งโยม เ, เจดีก็บกมือว่าหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนอพระสงฆ์ก็เห็นว่าโยมบอกให้หยุดเน่ยพระสงฆ์ก็หยุดนพอหยุดเสร็จแล้วญาติพวกลูกลๆเห็นว่อ้าวทาไมพ่อเนี่ยอยากจะฟัง ในสติปัฏฐานสี่ของพระสงฆ์สาธยายแต่ทําไมบอกให้พระสงฆ์หยุดทั้งที่นิมนต์พระสงฆ์มาเในท่าทำไมจึงบอกให้พระสงฆ์หยุดลูกทั้งหลายก็เห็นอย่างนั้นก็โอ้พ่อเนี่เผลอสติแล้วร้องโ h o ร้องให้ขึ้นมาในเดี๋ยวนั้นเหมือนกันเถอะพ่อร้องโห o ร้องให้ขึ้นมาพระสงฆ์โอบไม่ได้การเนีลูกของเขาร้องให้แล้วพระสงฆ์ก็เลยเออลาก่อนหนะ้ายอมนะลูกหลานนะอ อ, อ, อลาก่อนเนอะจากนั้นพระสงฆ์ก็เลยออกไปจาก ที่นิมนต์ที่บ้านของเขาพอจากนั้นเศรษฐีท่านก็ฟื้นขึ้นมาเอา้พาพระสงฆ์ไปไหนล่ะลูกเ อ, าาอ้าพระสงฆ์ยังไงพระสงฆ์พ่อบอกว่าหยุดหยุด เ, เมื่อกี้เนี่ยพ่อจำไม่ได้เลยบอกพระสงฆ์หยุดพ่อก็บอกไม่ใช่ไม่ใช่พ่อให้พระสงฆ์หยุดนะคือเทวด า, าพวกเทวดาเนี่ยมีตั้งหลายหลหลายหลา ย, หลายชั้นเนี่ยมีมาอยู่ในบนอากาศเนี่ย ต่างคนก็ต่างว่าเชิญเชิญให้ไปอยู่สวรรค์แต่ละชั้นพวกชั้นจารุลูกขอเชินไปอยู่ชั้นจาตุลูกกับข้าพเจ้าชั้นยามาตุสิตาเราวดึงดุสิตในมาแล้วแต่ตีแต่ละชั้นเขาขอขอให้ไปอยู่สวรรค์ชั้นของเขาเจตถีท่านเห็นเอาหยุดซะก่อนผมอยากจะฟังธรรมลักษณะอย่างนั้นแหะหยดหยดยดตัวอย่าจะพึ่งจะพึ่งอ่านั้นให้เขาขอมา ตอท่านก็บอกว่านี่นแหละแต่เทวดาเอพวกมาตีพวกรถทั้งหลายจะมาขอให้ไปอยู่สวรรค์ชั้นของเขาเี่ยพ่อบอกให้หยุดลูกชายลูกสาวก็บอกว่าอยู่ที่ไหนล่ะพอ่อนั่นแค่อยู่บนอากาศแต่เห็นไหมไม่เห็นครับพ่อเออเอาพวงมาลัยมาเออเอาพวงมาลัยมาให้พอ่อใช่ลูกชายลูกสาวเอาพวงมาลัยมาให้ ถามว่าลูกจะให้พ่อไปอยู่สวรรค์ชั้นไหนลูกสาวลูกชายก็บอกว่าให้ไปอยู่ชั้นดุสิตพ่อนะไปอยู่สันดุสิตเพราะว่าสันดุสิตเป็นพระมารดาของพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่นั่นเป็นเทวดาอยู่ที่นั่นเป็นเทวบุตรอยู่ที่นั่นอยู่ในชั้นดุสิตนั้นสันดุสิตเป็นสวรรค์ที่น่ารื่นรมขอให้พ่อไปอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตนะพ่อนะเออมาเดี๋ยวพ่อจะ เอาพวงมาลัยมาให้คอยดูนะลูกนะเออเอาเ อ, าเ อ, าเอาขอให้พวงมาลัยนี้อที่ข้าพเจ้าเอาลอยออกจากมือของข้าพเจ้าไปนี่ขอให้ไปคล้องอยู่ที่งอนรถอสวรรค์ชั้นดูสิตแต่นี้พอพอพูดอธิษฐานจบพวงมาลัยนั้นก็ลอยขึ้นไปขึ้นไปคล้องอยู่ที่งอนรถของสวรรค์ชั้นดูสิตก็บอกว่าเห็นไม่ลูกเอ้ย เห็นแต่พวงมาลัยแต่ไม่เห็นรถพ่อเออนั่นแหละรถเป็นของทิพย์แต่พวงมาลัยนั้นไปคล้องอยู่ที่งอนรถของสวรรค์ชั้นดุสิตนะลูกนะลูกพ่อจะลาแล้วนะที่นี่นะพ่อจะไปอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตนะขอให้ลูกทุกคนประพฤติปฏิบัติตนอย่างพ่อนี่แหละทําตนให้เป็นคนดีอย่างพ่อให้มีศีลธรรมอย่างพ่อให้ฟังเทศฟังธรรมอย่างพ่อ และพวกลูกทั้งหลายจะไปจะได้ไปอยู่กับพ่อแต่พวกเราทำตัวไม่ดีเนี่ยจะไม่ได้ไปอยู่กับพ่อและลูกนะจากนั้นท่านก็เลยใจขาดในขณะนั้นท่านก็ขึ้นไปอยู่สวรรค์ชัน้นฤาิีเนี่ยแหละพระพุทธเจ้าในครั้งพุทธการอันนี้คือมาในพระไตรปิฎกท่านพูดมาในพระไตรปิฎกว่าสวรรค์นรกสวรรค์มีจริง แต่ละพบแต่ละภูมิมันแตกแตกต่างกันแต่พวกเราเห็นแต่สัตว์ดิรกชานกับมนุษย์พวกเราเห็นแต่พวกสัตว์ทั้งหลายช้างมา้าวัวควายหมูหมาเป็ดไก่การเป็นอยู่มันแตกแตกต่างกันพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าพรมสวรรค์มนุษย์เปรตสัตว์ดิรกชานการเป็นอยู่และอาหารไม่เหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างนั้นท่านบอกว่าอาหารของมนุษย์เนี่ย อย่างพวกเราทานอาหารอาริดอร่อยอย่างทุกวันเนี่ยทานอาหารจานราคาแพงๆของอริดอร่อยแต่เทวดาเห็นแล้วโอ้โหทำไมมนุษย์กินอาหารหยาบละเกินส ก, กปรกละเกินนี่แหละเทวดาเขามองเห็นแต่พวกเรามองเห็นสัตว์ที่ไรฉานสิมองเห็นเสือหมาหมาูช้างามันกินหญ้าน เราก็เห็นโอ้ทำไมสัตว์แต่ละประเภทเนี่ยมันกินอาหารชกกระโปรงละเกินอย่างงูเนี่ยกินกบกินเขียดอย่างเนี้ยเออมันกินทั้งตัวเลยมันกินทาไมกินได้หน้าขยะขยงแข็งลเกินแต่มันก็เป็นอาหารอริดอร่อยของงูอาหารของเสืออาหารของหมาอาหารของหมูฮะ อ, อันนี้นก็คือสัตว์แต่ละฉาญแต่ละประเภทมันใช้อาหารของมันอย่างนั้นมนุษย์ก็เหมือนกันกินอาหารเทวดาทั้งหลายเห็น เ, เทวดาก็พูดว่ามนุษย์กินอาหารโศกกระปลกหน้าขยะขแข็ง เ, เหมือนกับเราเห็นนะเห็นสัตว์ที่ฉันกินหญ้ากินอาหารอย่างนั้นแหะท่านี้พวกพรมทั้งหลายมองเห็นเ ท, ว ด, ทวดาเทวดานี่ก็คือเสวยความสุขด้วยกา ม, มากิเลสแต่เป็นของทิพนะคิดขึ้นมาเรื่องราคะโทสะโมหะคิศราคะโทสะคิดเรื่องกา ม, มากิเลส เรื่องวันสวยของเทพอย่างนี้เสวิยพกยาอาหารเวิยอาหารอย่างนี้ต้องนึกคิดขึ้นมาคนที่ไม่มีบุญก็นึกคิดไม่ได้นะอาหารเทวดาคืออาหารที่นึกคิดและก็เป็นอาหารมาถ้าคนใดเทวดาคนไหนลืมสนุกสนานเพลิดเพลินจนเกินไปลืมทานอาหารเทวดานี่ยก็ตกจากสวรรค์ได้เหมือนกันอย่างที่ตำรับตําราท่านพูดไว้อย่างนั้นนะแล้วอาหารของพรหมอะะนี พรมมีอาหารคือปีติสุขปีติสุขเอกขคตาคือความวางเฉยอันนั้นเป็นอาหารของพรมพรมมีอาหารอีกแบบหนึ่งเทวดามีอาหารอีกแบบหนึ่งมนุษย์ของเรานี่มีอาหารอีกแบบหนึ่งสัตว์ทุรชานมีอาหารอีกแบบหนึ่งแต่พวกเปรตทั้งหลายอาหารของเปรตไม่มีมีแต่ความหิวโหยมีแต่ความต้องการใๆว่าเป็นผู้ไม่มีบุญแต่ว่าไม่ถึงกระตกนรก แต่ว่าใช้กรรมพวกนี้ใช้กรรมอันนี้ก็คือเทวดานนคือพวกเปรตแต่พวกสัตว์นรกเนี่ยไม่มีระหว่างเพราะตกนรกหมกไหม้ลงไปแล้วไฟเผาอยู่ในนรกอันนั้นแปลว่าไม่มีระหว่างนรกก็มีหลายขนาดหมายหลายหลุมเหมือนกันเหมือนกับราหูโทษขลุโทษอย่างนั้นแหละขรุุรโทษถึงโทษหนักก็เถอะแต่ก็ยังมี หนักเบาอยู่ในนั้นอีกเอ่หเหมือนกับโทษประหารอย่างนี้หรือว่ารอประหารอย่างนี้เรียว่าจําคุกตลอดชีวิตอย่างนี้หรือว่าลูดโทษเท่านั้นปีเท่านี้ปีเนี่ยเมืองเมืองนรกเขาก็มีเหมือนกับเมืองมนุษย์ของเรานี่แหละคือกรรมชั่วของเรามีหนักมีเบาอย่างนั้นอันนี้พระพุทธเจ้าท่านรู้ได้หมดว่ามนุษย์ของเราเนี่ตายแล้วไม่สูญอันนี้คือพระพุทธเจ้าได้ตัดสู้ที่โคลนต้นโพ ข่านนั่งสมาธิพระ อ, องค์จิตเข้าสู่ความสงบเกิดยานาัทสนะเกิดฌานนะพอเกิดฌานขึ้นมาแล้วระลึกชาติผลหลังได้ปุเพเนวาสานุสติญาณและก็ดูกรรมของสัตว์ทั้งหลายกรรมคือการกระทำของสัตว์ทั้งหลายจุตูปป า, ปาตา ย, ยานอพอถึงจวนสว่างพระ อ, องค์ก็ได้ตัดสรุ้ธรรมโยาาอาสาวขยายญาณ แปลว่าพระองค์ได้ตัดสรุธรรมตัดกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากจิตใจใจของพระองค์จิตใจบริสุทธิ์ไม่มาเกิดมาไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วในวัฏสงสารนี้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วเนี่ยอันนี้คือพระพุทธองค์ได้ตัสรุธรรมอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราอย่างองค์หลวงตาเนี่ยท่านก็ประ ก, กาศท่านก็บอกกล่าวเพราะยุคนี้สมัยนี้ คนนี่เชื่อไม่เชื่อบาปเชื่อบุญก็มีขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นหลวงตาท่านก็ได้พูดให้ฟังว่านรกสวรรค์มรรคผลนิพพานมีจริงนะขอให้พวกเราตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้จริงจังนะพวกเราจริงจังแล้วพวกเราจะรู้จริงเห็นจริงในธรรมคาสอนนี่แหละขอให้คณะศทาญาติโยมทั้งหลายให้คิดเอาไว้ถ้าพวกเรายังไม่เชื่อว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญ ไม่มีใครที่จะบอกกล่าวเราได้นอกจากตัวของเราเองเพราะธรรมะของพระพุทธเจา้าพระพุทธองค์บอกว่าธรรมะปัจจิตตังผู้ปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้ได้ถ้าไม่มีใครถ้าตัวเองไม่ปฏิบัติจะรู้ไม่ได้เหมือนกับเราริมรสของเกลือเค็มยังไงเผ็ดยังไงหวานยังไงไม่มีใครทําแทนเราได้เราต้องรู้ด้วยตนเองนี้ก็เหมือนกัน ธรรมะของพุทธเจ้าด้วยธรรมะปัจจิตตังผู้ปฏิบัติจ้อมรู้เองเห็นเองถ้าพวกเราผูอ้อื่นอธิบายให้ฟังอย่างหลวงพ่ออธิบายให้ฟังเนี่ยเอ๊ะจริงหรือเปล่าก็ยังสงสัยอยู่อย่างนั้นแต่หากว่าพวกเรานั่งภาวนาจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งจิตเจ้าใจรวมรวงเป็นหนึ่งเห็นร่างกายของเราแล้วก็เห็นใจของเรานามธรรมกับรูปธรรม รูปกรรทกับนามธรรมเห็นได้ชัดว่ารูปปรธรรมคือร่างกายนามธรรมนั้นคือจิตใจอยู่ในร่างกายในตัวนึกคิดนั่นแนหะคือนามนามธรรมตัวนั้นละ่ะสำคัญพระพุทธเจ้าให้ความสำคัญเรื่องนามธรรมมากกว่ารูปประธรรมส่วนรูปประธรรมนั้นอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นเกิดมาแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายตายแล้วก็เอาไปเผาไฟแล้วก็เอาไปบรรจุ ไว้ในห้องสุยเอาไปฝังเอาไปเผ า, อ ย, าอย่างพูดง่ายๆเนี่แหละร่างกายของคนเราก็มีเท่านั้นแต่นามธรรมาตัวเนี้ยตัวนึกคิดตัวเนี้ยออกจากร่างแล้วไปปฏิสนธิไปเกิดในภพภูมิต่างๆได้นี่แหละพระพุทธเจ้าให้ความสนใจให้ความใส่ใจเรื่องนามธรรมามากกว่ารูปธรรมพระพุทธองค์บอกว่ามโนปุพังเขามาธรรมมามโนคือใจ มโนปุพังขามาธรร ม, มามโนเศรษฐามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจเพราะนั้นเรื่องใจพระพุทธองค์ให้ความสำคัญอย่างมากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราที่ไปอยู่ในป่าดงพงไพยไปฝึกหัดเรื่องจิตภาวนาไปนั่งภาวนาที่ย้งที่ลินย้งเหลือบอทั้งเสือทั้ง สัตว์ทั้งหลายไปอยู่ในป่าดงพงผัยเสี่ยงขนาดนั้นท่านไปเพื่ออะไรท่านไปเสาะแสวงหาในสถานที่สงบเพราะในสถานที่สงบแล้วพระองค์ครูบาอาจารย์ท่านนั่งภาวนาอ่นั่งภาวนาจิตใจของท่านก็สงบเพรอจิตใจสงบท่านก็รู้ได้ด้วยตนเองว่าเออตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกเพราะว่าสิ่งแท้เกิดนั่นคือนามธรรมนามธรรมตัวเนี้ยไม่ตายแต่รูปธรรมนะ่ะตายแน่ เพรานั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราจะเป็นรุ่นไหนก็ตามหลวงพ่อมั่นใจเลยที่ครูบาอาจารย์ที่พวกน้องๆทั้งหลายหรือหลวงปู่อมของพวกเรานี่เยท่านก็ต้องเชื่ออย่างหลวงพ่อเนี่เชื่อร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันตายแล้วไม่ศูนย์ตายแล้วเกิดอีกเพราะเหตุใดเพราะเชื่อด้วยตนเองเพราะนั่งภาวนาดูแล้วมันร่างกายกับใจมันเป็นคนละอันกันเอร่างกายนี่แตกตายสลายแน่ แต่ส่วนจิตใจคือนามธรรมนะั้นไม่ตายจะต้องไปปฏิสนธิในที่อื่นอีกแต่ก่อนที่จะไปปฏิสนธินั้นออก็เชื่อในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าวะก่อนที่จะไปนั้นถ้าว่าเรามีบาหรือเรามีบุญถ้าเรามีบาบาอคุศสจะพาดวงวิญญาณหรือใจของเรานั้นไปเกิดในภพภูมิ ที่ไม่พึงปราถนาอาจจะไปเกิดเป็นช้างมา้ากัวไฟหมูหมาเป็ดไก่อาจจะไปตกนรกหมกไหมอาจจะไปเป็นสัตว์ทีรชานันนาน า, นานชนิดก็ได้แต่เราถ้าเราทํากรรมชั่วแต่ถ้าเรามีบุญกุศลอย่างน้อยก็มาเกิดเป็นมนุษย์ก็มาเกิดเป็นมนุษย์ออกจากนั้นเราก็ไปเกิดสวรรค์ชั้นจาตูมชั้นยามาตุทีตาสวรรค์หกชัน้นจากนั้นลราก็ถ้ามีบุญมากขึ้นไปก็น่าจะได้ภาวนา ถ้าได้ภาวนาทำจิตใจให้สงบอาจจะจะก้องเกิดเป็นพรหมออกถ้าว่าพวกเราชําระจิตใจของพวกเราได้ในระดับเป็นพระโสดาพระสกทาคาพระอนาคาคาพระอรหรันต์จิตใจเรายกระดับขึ้นถึงพระอรหันต์ได้เ อ, อปรับปรุงแก้ไขให้โง่ไ ด, ใได้ให้ฉลาดได้ให้เป็นนักปราชญ์ได้ให้เป็นคนพลานได้เ อ, อให้เป็นอย่างไงก็ได้ใจของเรา เราจะทำยังไงเราจะปรับปรุงให้เป็นคนดีคนชั่วใจดีใจชั่วได้ทั้งนั้นเพราะนั้นใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าเพราะนั้นทั้งถึงพวกเราจะมาเกิดเป็นมนุษย์แต่บางคนก็เพียงแต่ว่าได้มาเกิดเท่านั้นเองบางทีก็พิกลวิ ก, การในร่างกายของพวกเราอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะเหตุไรเพราะว่าเราทากรรมไม่ดีไว้ในอดีตนะอดีตชาต เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆุกท่านนะกรรมตัวนี้เนี่ยมันจะตามสนองทุกภพทุกชาติแต่ถึงยังไงก็ตามถึงพวกเราเจะมั่งมีสีสุกร่ารวยเศรษฐีมหาเศรษฐีขนาดไหนก็เตยยาจกวันนี้พกแต่ชีวิตของพวกเราก็จะต้องทิ้งลงในแผ่นดินด้วยการทุกคนเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะอย่างนางปตายจาราอย่างเนี้ย นางปตาจาราเป็นลูกเศรษฐีในกรุงสาวัตถีนะแต่ว่าท่านเป็นลูกเศรษฐีท่านไปชอบรักชอบกับคนใช้ในบ้านนี่แหละเศรษฐีรักชอบคนใช้ในบ้านเพราะจากนั้นก็เขาพ่อแม่จะให้แต่งงานกับคนที่เสมอกันที่เป็นเศรษฐีด้วยกันนางไม่ชอบชอบคนที่บ้านจากนั้นก็ขโมยหนีขโมยหนีจากพ่อแม่ไปอยู่ในป่า ดงพงภัยไปอยู่ในชนบ้บดบ้านนอก น, ะนี่แหละอันนี้คืออันหนึ่งเหมือนกันหลวงพ่อนำม า, มาวิเคราะห์ดูว่าทำไมลูกสาวเศรษฐีจึงไปชอบกับคนคนใช้ในบ้านเพราะว่าในชาตินี้ในชาติที่แล้วนะเนี่ยนางคนนีนะ้อาจจะชอบทําบุญช่างบุญสร้างกุศลทาบุญกุศลแต่สามีเนะชวนไปที่ไหนมีแต่นุ้น ไปหากินเหล้าไปหาตกเบ็ดไปหาเล่นกอล์ฟไปทําอะไรก็ใหมร่รู้ท่นี่พอตายขึ้นมาแล้วท่นี่นางนี่กับเพวกคนทําบุญนี่ใช่ไหมคนทําบุญรักษาศีลภาวนาปฏิบัติต้องไปเกิดเป็นลูกเศรษฐีเป็นคนร่ํารวยแต่คนไม่ทําบุญจะไปเกิดเป็นลูกเศรษฐีได้ยังไงท่นี่ก็ไปเกิดเป็นคนใช่พ่อน่อได้เกิดเป็นมนุษย์ทตนเองแต่ว่าความรัก ความชอบเนี่ยอยู่ในจิตใจเนี่ยถึงจะเป็นเศรษฐีก็เถอะตัวเองเป็นลูกเศรษฐีก็เถอะแต่เห็นคนใช้เนี่ยมันอยู่ในความรู้สึกเลยครๆว่ามันปิ๊งในใจว่า้งเถอะมันปิ๊งวง่าไงเถอะเออทีนี้มันก็ความรักจุดนี้น่ะมันปุบเพนในวาปุบเพในเพในวาดคือในอดีตชาติเคยเป็นคู่ครองกันมาเคย รักเคยชอบกันมาเคยทุกข์เคยยากเคยลําบากด้วยกันมาแต่มาพบนี้ชาตินี้เนะี่อแต่ว่าสาภรรยาเนี่ยเป็นลูกเศรษฐีเอแต่สามีเนี่ยเป็นคนรับใช้ในบ้านเศรษฐีแต่ลูกสาวเศรษฐีเนี่ยกลับไปชอบอคนใช้ในบ้านพ่อแม่อยากจะหาคนตระกูลร่ํารวยให้ไม่ชอบไม่เอานี่ละ่ะอันนี้ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายนะ เวลาสามีภรรยาชักชวนไปทําบุญทําทานควรจะเคียงบ่าเคียงไหลกัน เ, เวลาทำคือจะเกิดพบหน้าชาติหน้าจะได้เป็นคู่รักคู่ชอบสั่งสมบัรมีต่อไปภายภาคหน้าแต่ถ้าว่าผู้ใดก็ตามนะถ้าสามีภรรยาชักชวนไปทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลหันหลังให้วัดให้ว่าหันหลังให้คุณงามความดีหันหน้าต่ออบายยมก ทั้งชอบเลวชอบชอบเล่นชอบเตรชอบกินเหล้าเมายาอย่างเนี้ยคนหนึ่งก็ไปวัดไปวาไปฟังทำรักษาศีลให้ทานรักษาศีลภาวนาคนนั้นเขาจะต้องมีบุญมีกุศลเขาสู่จิตใจกับคนที่ไปทางชั่วก็อย่างที่ว่านั่นเลย เ, เพราะกรรมชั่วนั้นอย่าทำเสีเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมให้ผลไม่ดีเมื่อภายหลังอกตังลุ ก, กตังเซโย ปัจฉาตตปฏิทุกตังกรรมชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นจะต้องให้ผลไม่ดีเมื่อภายหลังเพราะนั้นทําแต่กรรมดีเพราะนั้นขอให้พวกเราสั่งสมแต่คุณงามความดีนางปัต่าจารานี่ก็เหมือนกันคงจะอดีตชาติของท่านสาพันยาก็คงจะหนักแน่นไปในทางศีลธรรมแต่สามีนี่ก็คงจะชอบ ไปในทางที่ไม่ถูกต้องนะนะั่นแหะมาเกิดพบนี้ชาตินี้ก็เลยเป็นคนจนนะแต่ถึงยังไงนางปัตตาจาราก็ยังรักชอบชายหนุ่มคนนี้ไม่ชอบไม่มองไม่เห็นคนอื่นเลยนะจากนั้นก็ขโมยหนีออกจากบ้านไปอยู่ในชนบทพอต่อมาพออยู่ด้วยกันก็มีลูกขึ้นมาคนหนึ่งแต่ก่อนที่จะมีลูกขึ้นมาท้องแก่ขึ้นมาแล้วโอ้ถ้าอยู่อย่างนี้จะทํำยังไงเอฉันไม่อยู่แล้วนะท่านจะหนีนะนะ ฉันจะกลับไปบ้านแล้วทางสามีนะโอ๊ยจะกลับไปยังไงกลับไม่ได้แนะถ้ากลับไปพ่อแม่ก็จะต้องลงโทษจะต้องฆ่าผมทิ้งนะ่ะไม่ไปแล้วไม่ต้องไปแล้วนะผลที่สุดนางก็คิดถึงพ่อแม่มากเลยพ่อมีความทุกข์ขึ้นมาก็ต้องคิดถึงที่พึ่งใช่คิดถึงที่พึ่งคื อ, คอพ่อแม่ของตนเองที่ให้ความอบอุ่นมาแต่ถึงยังไงถึงเขาเรักเขานี้ ข่าวนั้นมันก็อีกอย่างหนึ่งว่าแต่คราวนี้ถึงข้าวทุกมาจะคลอดลูกเนี่ยลูกอยู่ในท้องเนี่ยจะคลอดไม่รู้จะพึ่งใครมองชาวบ้านก็อย่างนั้นคิดถึงแต่พ่อกับแม่วงศาระฆนายาดจะกลับเข้ามากรุงสวัสดีผลที่สุดก็นางก็สั่งให้ชาวบ้านว่าเออถ้าสา ม, ามีฉันมาก็บอกเขานะฉันจะกลับบ้านแล้วผลที่สุดนางก็กลับมากลับมาแต่ส า, ม, ามีมาไม่เห็นภรรยาก็ อวิ่งเอ้าวไล่ตามมามาเห็นการครึ่งทางพอจากนั้นพอมาเห็นครึ่งทางเเอ อ, เ อ, อลูกก็อยู่ในท้องก็พร้อมที่จะปั่นปวนออกมาตีนี่ลูกก็เลยมาคลอดกันครึ่งทางพอคลอดลูกเสร็จแล้วก็ อ, อสามีก็เลยขอให้ภรรยากลับลกลับไปอยู่ด้วยกันอีกออในชนบทอีกนะออพอต่อมาอีกลูกที่สองเอีตีนี่ท้อง มีมลูกในท้องขึ้นมาอีกเอ่อก็ทำอย่างเก่าอุ้มลูกออกมาลูกคนหนึ่งก็อยู่ในท้องผลที่สุดมาถึงครึ่งทางสามีก็พอแม่บ้านไม่อยู่บ้านนก็วิ่งตามมาอีกอย่างบ้านพอมาคราวนี้มาถึงครึ่งทางก็เจ็บท้องปวดท้องที่จะคลอดลูกเท่นี่ก็ให้ มันก็ข่ํำพอดีสิฝนก็กําลังจะตกพอดีอบอกว่าให้ไปหาใบไม้มาลองซิลกูกมามาลองด้วยงั้นสามีก็เข้าไปในป่าสุ่มสร้างเข้าไปในป่าคงจะไม่มีไฟฉายอย่างทุกวันนี้นะอพอเข้าไปในป่าก็ไปตัดกิ่งไม้ใบไม้มาเพื่อจะมาลองให้ภรรยานั่งและลูกตัวเองเล็กเล็กคนหนึ่งพอในสุดเข้าไปในป่าใกล้จอมปลวก งูรงอางมันคงอยู่ที่นั่นมั้งมันก็เลยชกนะฉกสามีก็เลยล้มตายลงในที่ข้างจอมปลวกนั่นแหละหายเงียบไปจะนี่นางได้กับคลอดลูกออกมาพอคลอดลูกออกมาลูกตัวเล็กๆก็อยู่ใต้ใต้ท้องอแล้วก็ลูกคนหนึ่งอีกนางก็ได้เหมือนกับ ย, ยืนสี่ขาเหมือนกับหมาในวันนั้นแต่เอาเอาเอาร่างกายเขาตัเองค่อมลูกทั้งสองคน จนถึงสว่างพอถึงสว่างขึ้นมาแล้วก็ไปมองไปเดินเข้าไปเอ๊ะทำไมไม่เห็นเขามาไม่เห็นสามีออกมาพอเข้าไปไปเห็นสามีนอนตายแต่โอ้ยโตเขียวหมดแล้วเห็นงูอสรพิษกัดสามีนางก็เสียใจอย่างมากโอ้โหเนี่ที่สามีตายก็เพราะว่าเราเทำตัวอย่างนี้จนสามีจนงูกัดตาย นี่แนหะคือนางปัตตาจาราจากนั้นนางก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็คิดถึงแต่พ่อกับแม่ท่านเองเทีนี้ก็เลยอุ้มลูกอทั้งลูกตัวเล็กๆทั้งสองคนนะอ่ะอุ้มามาม า, ม า, มาถึงแม่น้ํา เ, เจลวดีนะมาถึงฝั่งตรงกันข้ามกับกรุงสวัตถีแม่น้ำเนี่ยก็ไม่ลึกเท่าไหร่อแต่วันนั้นฝนตกแรงน้ํามันก็เออขึ้นมาบ้างเอ อ, เออขึ้นมาพอสมควร แต่นางก็จะเอาลูกทั้งสองคนข้ามไปสิก็ยังไงอยู่กลัวลูกคนพอมันลูกอุ้มลูกทั้งสองคนนางก็เลยเอาไปคนเล็กไปก่อนนะอุะอ้มคนเล็กไปก่อนพอไปเสร็จแล้วก็เอาเอผ้าปูลงผ้าสบายปูลงที่หาดทรายแล้วก็ให้ลูกชายคนเล็กหยุดลูกชายคนเกิดก่อนเอาไว้อีกข้างหนึ่งฝั่งหนึ่งว่ากันจากนั้น นางพอวางเสร็จแล้วนางก็หันหลังกลับมาในระหว่างกลางแม่น้ำนะแม่น้ำก็คงจะกว้างตื้กว้างตื้นว่าันเอแม่น้ำกว้างตื้นก็คงจะไม่ลึกเท่าไหร่นางก็มาถึงกลางแม่น้ำไอ้พวกอินแรงพวกเหยี่ยวนะมันเห็นเด็กตัวแดงๆเพิ่งเกิดเมื่อคืนนี้ว่างันเถอมันที่แนวแนวแนวโยงกันเถะไอ้เหยี่ยวตัวใหญ่ๆมันก็โฉบลงมาจากท้องฟ้า พอโฉบลงมานางได้ยืนอยู่กลางแม่น้ําก็ตบมือเนไะล่เหยี่ยวขึ้นอะเออ้องเรียกตบมือขึ้นมาเพื่อไล่เหยี่ยวให้เหี่ยวบินหนีไปขึ้นแต่เหยี่ยวมันก็ไม่บินที่มันห่างไกลมันก็เลยโฉบเอาคนไปไอเด็กคนที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยออคิดว่าแม่เรียกตัวเองใช่ไหมออพอเรียกร้องเสียงดังออมันก็วิ่งลงไปในน้ํามันไม่รู้จักน้ำอ่ะเด็กอไงวิ่งลงไปในน้ําน้ําก็พัดจมในน้ําอีก หายเงียบไปอีกนางกันเลยโอ้ยืนอยู่กลางแม่น้ำมาคว้าหาลูกคนนี้วันไหนลูกคนนั่นก็เหยียวกินเท่นี้นางก็เลยเสียอกเสียใจอย่างมากเลยเทนี่เสียสติเลยว่ากันเถอะเออใครข้าว่ามันสติจะแตกแล้วว่างันเอะจะเป็นบ้าแล้วท่นีอจากนั้นน า, นางก็เลยเดินกระเชิกระเซิงไปทางกรุงสวรรคถีพอไปเห็นชายคนหนึ่งเขาเดินมา เออพกพ่อพ่อค้าเกวียนพวกเขาามเอ้ยพวกคุณรู้จักไหม เ, เศรษฐีชื่อนั้นอยู่ในเมืองสวัสดีเนะี่ยคือเป็นพ่อของเขาเองเออเป็นพ่อเป็นแม่ของนางปัญญาจาราเนี่ยเออท่านสบายดีอยู่เหรอถามข่าวเขาท่านั้นเขาก็บอกว่าเอ้ยพูดอย่างนั้นได้ยังไงเมื่อคืนในฝนตกหนักใช่ไหมเออนี่แหละเมื่อคือนนี่แหละเออ ฟ้าฝนถลม่มบ้านทับเศรษฐีเอทั้งเศรษฐีด้วยทั้งเมียด้วยทั้งลูกด้วยถูกชายด้วยตายด้วยกันอยู่ที่บ้านเหมือนกันตายแล้วเมื่อคืนเนี่ยมาก็ยังเห็นกองไฟเขามาเผากันอยู่เนี่ยเจิงตะกรนัเนเขาเผาสามคนด้วยกันเลยเหมือนกันพอนางปัตตายเลาดได้ยินเท่านั้นแหละโอ้โหสติแตกเลยเธอเนี่ยผ้าหลุดลุ่ยออกจากร่างกายเลยเธเนี่อ นี่แหละอะไรบอกวความทุกขอย่างสุดๆคือมรณะภยัยถ้าใครไม่เจอจะไม่รูออ้ถ้าเจอแล้วจะรู้ว่าความทุกขมรณภัยนั้นขนาดไหนเหมือนันเถอะท่านนางปัตตาจาราท่านพูดในพระไตรปิฎกท่าน เ, าเขียนไว้ในพระไตรปิฎกโอ้ดูๆแล้วน่าสลดสังเวชใจอย่างมากแต่นี้นางปัตตาจารานี่ก็กระเซิงกระเซิงไปลเลยทีนี้ไม่รู้จะไปที่ไหนเหมัน้นนเะพ่อแม่ก็ตายแล้ว พี่ชายก็ตายแล้ว อ, อไม่รู้จะไปไปหาใครนางสติแตกเลยท่านนี้ก็เห็นแต่วัดป่าเชตะวันมหาวิหารที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่นางก็เลยเดินเข้าไปเปินเข้าไปก็คนทั้งหลายก็เห็นว่าเอ อ, เ อ, อยายผีบ้าอีผีบ้าเขาก็ว่ากันเลยท่านี้ไม่มีเชื่อผ้าท่านี้เ อ, อเขาก็มาไล่ออกไปไม่ให้เข้ามาใกลเ้เพราะว่าวัดป่าเชตวันพระพุทธเจ้ากําลังปโปรดญาติโยงาลังแสดงธรรมอยู่ พ, พอพระโตรนมองเห็นแล้วว่าปัตตาจลานี่เป็นสาวิกาของพระพุทธเจ้าคนหนึ่งที่ทําบุญไว้ในอดีตแต่ชาติสร้างบารมีมาถึงอสงไขสีอสงไข่สร้างบารมีมาหนึ่งอสงไขยกําไรแสนมหากับเต็มเปี่ยมแล้วชาตินี้เป็นชาติทุดท้ายแล้วแต่ใช้กรรมกรรมในอดีตของนางมาใช้ อย่างสุดๆว่างั้นเถอะให้เข้ามาพระพุทธองค์บอกว่าให้เข้ามาให้นางเข้ามาเราจะเป็นที่พึ่งของเขาให้เขาเข้ามาพอนางเข้ามาที่นี่ก็ยืนเทเล่ทะล่าเข้ามาไม่มีเสื้อผ้าว่างั้นเถอะพระพุทธองค์ก็บอกว่าน้องหญิงเธอตรงจงมีสติเธอคิดอะไรจงมีสติโล ก, กวันนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้แหละถ้าเราเกิดมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติมันต้องเป็นอยู่อย่างนี้เธอรู้ไหม เธอร้องให้หาพี่หาน้องหาพ่อหาแม่น้ำตาของเธอเนะี่ยไหลลงออกมาแผ่นดินมากกว่าน้ำมาหาสมุทรเข้าใจไหมพอนางได้ยินอย่างนั้นนางมีสติมีสติสัมปชัญญะขึ้นมาทันทีจากนั้นนางก็นั่งหลบซ่อนไม่รู้จะเอามือเอาขาเนบไว้ยังไงทีนีอมีอุบาสกผู้หนึ่งเห็นอากับกิริยาอย่างนั้น ก็เลยเพื้องผ้าคือเครื่องเพื่องผ้าผมเพื้องเพื่องผ้าคําม้านะพูดง่ายๆโยนให้ว่ากันนางก็ได้ใช้ผ้าผืนหนึ่งนุ่งผืนหนึ่งปิดกายจากนั้นก็กราบพระพุทธองค์ด้วยเบญจางคปดิษฐ์พระพุทธองค์ก็จะแสดงธรรมให้ฟังบอกว่าปตายจาราโลกนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้แหละท่านนั้นเพราะฉะนั้นอย่าตั้งอยู่ในความประมาท เกิดมาแล้วก้องแก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ต้องตายไม่มีใครที่จะหลีกลีหนีพ้นไปได้เรื่องความตายเนี่ยไม่ว่าเกิดมาแล้วไม่อยู่ไม่ว่าอยู่อยู่ในระดับไหนอจะเป็นระดับสูงส่งขนาดไหนถ้าเกิดมาในโลกนี้ตายด้วยการทั้งนั้นเอเพราะฉะนั้นเธออย่าตั้งอยู่ในความประมาทควรประกอบคุณงามความดีควรสั่งสมคุณงามความดีเอาไว้ เ, อเธอเป็นผู้มีบุญมาในอดีตชาติ แต่บัดนี้เธอได้รับกรรมที่ได้ทําไว้ในอดีตแต่พระพุทธองค์ก็ท่านก็ไม่ได้บอกกล่าวว่าอดีตชาติของนางปัตาจารานั้นเป็นยังไงแ ต, แต่ท่านพูดแต่เรื่องกรรมดีนะกรรมที่ท่านได้รับในคราวนี้แนหะเป็นกรรมท่านทําอะไรเอาไว้ท่านก็ไม่ได้พูดไว้ในพระไตรปิฎกเหมือนกันจากนั้นนางก็มีสติสัมปชัญญะแล้วก็อยากจะบวชพระพุทธองค์ก็ให้ส่งไปทางภิกษุณี ให้ภิกษุณีทาการบวชให้นางก็ได้บวชเป็นภิกษุณีพอบวชเสร็จแล้วก็นางเป็นผู้ซํำรวมเป็นผู้เลิศ ก, กว่าภิกษุทั้งหลายในเรื่องศีลารวัตเรื่องของศีลเหมือนกันเถอเป็นผู้ซํำรวมศีลสํสำรวมกายวาจาของนางเป็นผู้เรียบร้อยเป็นผู้สวยงามท่านหนึ่งจากนั้นท่านก็บาเพ็ญเรื่องจิตภาวนาตั้งอยู่ในความไม่ประมาทวันหนึ่ง นางปตจราไปตักน้ำไปตักน้ามาแล้วก็แบกมาบนบ่าเหมือนกับแขกอินเดียนะ่แขกอินเดียเขาจะเทินศีรษะแล้วก็ก็มีแบกบนบ่าก็มีพอมาหม้อน้ำแบบแล้วก็มาวางที่จะขึ้นที่กุฏิของตัวเองที่พักของตนเองพอวางเสร็จแล้วนางก็ตักน้ำล้างเท้าพอเทน้ำล้างเท้าน้ำก็ไหลไปในระดับหนึ่งมันก็แห้ง ดินดินดินเมืองอินเดียมันดินทรายใช่ไหมพอเดไปมันก็ไหลไปหน่อยหนึ่งมันก็แห้งนางก็เทอีกที่สองอีกมันก็ไหลไปอีกยาวกว่านั้นไปอีกมันก็แห้งพอเทที่สามอีกมันก็ไหลยาวกว่านั้นไปอีกมันก็แห้งนางก็เห็นเออน้ำนี่บอกบ่งถึงว่าเกิดมาตัวเล็กตัวน้อยก็ตายได้ เทครั้งที่สองเหมือนกับคนกลางคนก็ตายได้พอเทครั้งที่สามมันไกลไปหน่อยคือคนแก่คนเท่าก็ตายได้เป็นอันว่าคนทุกคนเกิดมาในโลกนีตายคือน้ำเนี่ยต้องไหลซับลงแผ่นดินคนของเราก็เหมือนกันเกิดมาแล้วตายทั้งหมดไม่มีใครที่จะหลีกรลี่นี้พ้นไปได้นางเลยเห็นอันนี้จังคือของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุก สิ่งไหนเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเรานางก็เลยปล่อยวางในขณะนั้นนางก็ได้สาเร็จเป็นพระอระหันต์นางได้สําเร็จเป็นพระอระหันต์ในขณะที่เทน้ําล้างเท้าเพราะฉะนั้นการภาวนาหรือการปฏิบัติไม่ใช่ว่ากําหนดภาวนาอย่างนั้นอยุบเนาะพองเนออย่างนี้อันนี้เราถูกต้องอันนี้เราเป็นธรรมแต่ตามไม่จริงในหลักของพระพุทธศาสนาแล้วนี่แหะนางเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ในวันนั้นคราวนั้นนางได้สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์นี่แหละขอบอกขอบอกกล่าวให้การแก่คณะสัตยาญาติโยมครูบาอาจารย์พระเนนทุกๆกท่านทุกๆุกโลกนะนี่แหละชีวิตของพวกเราไม่เที่ยงแท้แน่นอน อ, อย่างหลวงปู่ของเราก็เหมือนกันท่านเป็นพระท่านไม่น่าจะตายท่านก็ตายให้พวกเราเห็นและพวกคณะรัตธาญาติโยมก็เหมือนกันไม่ได้เลือกว่า เ, เป็น คณะสัตธ์ไยญาติโยมหญิงชายน้อยหนุ่มพร้อมที่จะจากไปทั้งนั้นหลวงพ่อกำลังพูดอยู่ขณะนี้คึงเหมือนกันไม่รู้วันไหนอีกเหมือนกันนั่นแหละเพราะชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแท้นแน่นอนเพราะนั้นหลวงพ่อเองจึงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทสั่งสมคุณงามความดีมาโดยตลอดตั้งแต่เป็นสมณเณรอายุสิบเอ็ดสิบสองปีเดี๋ยวนี้ก็อายุหกสิบเจ็ดหกสิบหกปีเข้ามาแล้ว เป็นสมเณ็จอยู่แปดปีเป็นพระอยู่45สิบ้าพรรษารวมกันแล้วเป็นเท่าไหร่นี่แหละชีวิตของหลวงพ่อหลวงพ่อตั้งอยู่ในความไม่ประมาทสั่งสมคุณงามความดีสม่ำเสมอเพราะงั้นเพราเหตุว่าถึงยังไงต้องตายใน่อีกสักวันหนึ่งข้างหน้าไม่มีใครที่จะหลีกลีหนีพ้นไปได้อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไวจริงเพราะนั้นพระพุทธองค์ท่านจึงตรัสไว้ว่าอเนจาวัตสังขารา อุปาณวยะธรรมมิโนอุปชิตวานิรุชันติเตสังบูปสโมสุขโคขอเนจาวัตสังคาราสังขาราขาทั้งหลายเป็นของไม่เทียงเนา้าอุปาทะวยะธรรมมิโนเกิดขึ้นมาแล้วไม่ว่ า, เ, าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เหมือนกับพาชนะถึงจะเล็กหรือใหญ่ก็ต้องแตกในที่สุดไม่มีพาชนะไหนที่จะไม่แตกไม่ทำลายเพียงแต่ช้าหรือเร็วเท่านั้น อุปชิตตะวนันในรดจันตีเตสังวูปสมโมสุโ ข, ขกันสงบสังขารความระงับสังขารการไม่เกิดอีกเป็นสุขเป็นสุขอย่างมากนี่แหละแล้วก็พระพุทธองค์ก่อนที่พระพุทธองค์จะปริทินิพานวในวันในวันเดือนหกเพนวันนั้นวันสุดท้ายวันเดือนหกเพนพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าขยะวยะธรรมมาสร้างฆาราอัปมาเดนะสัมปาเดเดธาติ ขอท่านทั้งหลายสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงนะสังขารทั้งหลายเป็นะของไม่เที่ยงขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทต้องยังตั้งอยู่ในความไม่ประมาท <ishops> เถิดประมาทคืออะไรคือยังตนคือประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทประโยชน์ตนก็คือให้ภาวนารักษาศีลในบริสุทธิ์และก็พร้อมกันประโยชน์ท่านก็ได้ช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์ ไม่ใช่ประโยชน์ต้นพร้อมแล้วก็ปล่อย ป, ลอยปลาละเลยคณะสัทธาญาติโยมใส่บาตรให้ฉันก็ไม่ได้ดูไม่ได้แลร์เขาไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเขาเลยไม่ได้แนะนําสั่งสอนอะไรเลยอันนั้นก็ไม่ถูกเหมือนกันใช่ไหมประโยชน์ต้นก็อยากให้ขาดตกปกพ่องคณะผู้อื่นที่มาเกี่ยวข้องการให้ช่วยเหลือกันเพราะฉะนั้นในธรรมที่หลวงพ่อได้ยกเป็นพุทธภาสิีขึ้นเบื้องต้นว่าอริลจาวัตสังขารา อุปาดาวะยธรรมมโนอุปชิตวานิรุชันติเตสังบูปสโมสุขโขขยวัวยธรรมมาสร้างฆาราอั ป, ปมาเดนะสร้างปาเดทะคืออเนจังอเจาเป็นของไม่เที่ยงอย่างที่หลวงพ่อได้กลา่าวเพราะนั้นขอให้คณะสัทย า, า, า ญ, ญาติโยมทุกทุกท่านาที่ได้มาฟังใ น, ในแนวความคิดหรือธรรมเทศนาของหลวงพอ่อ คือหลวงพ่อได้กล่าวสมโมทนิยกถาในวันนี้ก็ขอให้พวกเรานําไปประพฤติปฏิบัติกันกลองไตรตองด้วยเหตุและผลอย่าตั้งอยู่ในความประมาทและก็พร้อมกันแล้ววิธีการทําล่ะหลวงพ่อจะให้พวกผมหรือพวกดิฉันทํำยังไงจึงจะถูกต้องหลวงพ่อว่าชีวิตประจําวันของพวกเราเนี่ยพวกเราเป็นชาวพุ ท, พทธธรรมามะกะเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจา้าเป็นอุบาสก นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งอันนี้เคยคือยึดพุทธทางธรรมังสังขังสระนางคัจฉามิยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งก่อนที่พวกเราจะหลับนอนหรือว่าตื่นนอนตอนเช้าเราก็ไหว้พระละหังสวาคโตสุปฏิปพนโนนโมพุทธทางธรรมังสังขังจากนั้นก็แผ่เมตตาเข้าไปเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขหรือว่า อาหารสุขิตโตโหมินิตโตโหมิก็ได้หรือว่าสัพเปชตาจ ด, ดาโหนตุอาเวลาสุขาชีวิโนเราจะแผ่เมตาก่อนก็ได้คือทําให้จิตใจของเราอ่อนน้อมไม่ให้คิดเบียดเบียนตนและผู้อื่นไม่ให้คิดแหลังแกคนอื่นเขาคนอื่นเขามีทุกข์อยู่แล้วเราก็ยังไปเบียดเบียนคนอื่นเขาอันนี้ก็ไม่ถูกต้องอ่ะอันนี้แล้วเมื่อเราไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็แผ่เมตตาในเพื่อแผ่เมตตาเสร็จแล้วอ่ ถ้าเป็นไปได้ให้นั่งสมาธินั่งสมาธิคือเรานั่งในห้องแอร์ในห้องนอนหรือห้องพระหรือในห้องไหนก็ได้สงบสงัดไม่ให้มีโทรทัศน์ไม่ให้มีวิทยุโทรศัพท์ห้องเราก็ปิดไว้ก่อนในขณะที่เรานั่งสมาธิอย่าให้โทรศัพท์กวนเราเราต้องเหนือเข า, างัอนเถอะเหนือวัตถุไม่ใช่ว่าวัตถุจะมากดถ่วงเรา เราให้ปลดเอาไว้ก่อนจะเป็นโทรศัพท์วิทยุโทรทัศน์อะไรก็ต่างปิดไว้ก่อนเราก็เออข้าพเจ้าจะนั่งสมาธิสักสาสนาทีหรือหนึ่งชั่วโมงวันหนึ่งมียีสี่ชั่วโมงข้าพเจ้าจะนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมสัก30สนาทีหลวงพ่อว่าจะเกิดประโยชน์อย่างมากจากนั้นเราก็นั่งกันสมาธิขาขวาทับขาซ้ายและกประปนมือ ไหว้ครูซะก่อนเวลานั่งสมาธิเรานั่งเหมือนพระประธานเราเห็นพระประธานนั่งอย่างไรเราก็นั่งอย่างนั้นแหละขาขวาทับขาซ้ายแต่พวกเรานั่งไม่ได้เอายังไงจะนั่งคัดสมาธิธรรมดาก็ได้หรือจะนั่งเก้าอี้ก็ได้หรือจะนั่งถ้าสบายท่าไหนก็ได้เพราะพระองค์ท่านไม่ได้ห้ามยืนเดินนั่งนอนได้ทั้งนั้นแต่ว่าเมื่อนั่งเนี่ยท่านอยากจะให้นั่งคัดสมาธิ เพราะว่าการนั่งพ <ark net, S 1> ับเพียบมันเอียนไปเอนไปข้างข้างใดข้างหนึ่งมันจะปวดปวดไปทางนั้นท่านเรานั่งสมาธินั่งตรงมันจะไม่ปวดมันไม่จะไม่กดทับไปข้างใดข้างหนึ่งท่านจะให้นั่งสมาธิเมื่อนั่งคัดสมาตเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ปนมือขึ้นระหว่างอกไหวครูซะก่อนไหวพุทโธธรรมโสังโคพุทโธธรรมโสังโคพุทโธธรรมโสังโคสมจบ คือไหว้ครูคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทให้คุณงามความดีแก่เราเรานับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระพุธองค์สอนให้มีศีลมีทานมีศีลมีภาวนาแต่บัด น, นี้ข้าพเจ้าจะนั่งภาวนาเพราะฉนั้นข้าพเจ้าจึงไหว้ครูซะก่อนไหว้คือไหว้พระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์พอไหว้เสร็จเรียบร้อยเอามือลงเอามื อ, อขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายพอ ทับมือซ้ายเราทํากายให้ตรงจากนั้นเรากําหนดลมหายใจเข้าเองหายใจเข้าบริกรรมว่าพุทหายใจออกบริกรรมว่าโทหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทลมกระทบที่ไหนในความรู้สึกของเราลมกระทบที่ปลายจมูกเราก็เอาเราก็ยึดกรรมฐานหยุดยึดภาวนาตรงนั้นอะเอาสติอยู่ตรงนั้นให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ที่ลมกระทบนั้น อย่าไม่ต้องตามลมเข้าไปบางคนก็ให้ตามลมเข้าไปถึงท้องแล้วก็ตามลมออกมาอันนี้แนวแถวของหลวงปู่มั่นท่านไม่ต้องให้ตามเพียงแต่ว่าให้ลมกระทบให้บริกรรมว่าพุทธ เ, เวลาหายใจออกมันกระทบที่ไหนที่ปลายจมูกกับบริกรรมว่าโถแต่พวกเราท่านทั้งหลายไม่เคยภาวนาแล้วพวกผมภาวนามันก็ลืมเอมันก็ไม่เห็นว่าลมกระทบที่ไหนให้พวกเราหายใจแรงๆดูนะ หายใจแรงๆเข้าไปสักครั้งหนึ่งแล้วก็แทกลมออกมาแล้วก็แทกลมเข้าไปก็แทกลมออกมาทีนี้เราจะรู้ได้ว่าลมกระทบที่ไหนถ้าคนไม่ตายมันก็ต้องมีลม เ, เข้าออกจมูกของเราจากนั้นเมื่อลมกระทบเราก็หายใจผ่อนผ่อนผ่อนตามปกติเมื่อผ่อนตามปกติแล้วเราก็กำหนดลมหายใจเข้าพดหายใจออกโธ ท, ทนี่แหละให้มีสติสัมปชัญญะที่ลมหายใจเข้าออก นี่แหละคือกรรมาฐานเบื้องต้นวิธีฝึกเบื้องต้นต้องทําอย่างนี้นะอันนี้แหละเราต้องฝึกคือไม่ให้จิตใจของเราคิดถึงอดีตไม่ต้องให้ใจของเราคิดถึงอนาคตวันพรุ่งนี้ทำอะไรอย่าไปคิดเราคิดมาพอแรงแล้วมันไม่เห็นได้อะไรหรอกคิดถึงอดีตมันก็คิดมามันก็เท่านั้นแหละเดี๋ยวนี้เราฝึกหัดเราทําจิตภาวนาเราอยากจะให้จิตใจของเราเข้าสู่ความสงบ เรากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกให้มีสติสัมปชัญญะนี่แหละถ้าเราใช้สติหรือว่าใช้บังคับจิตใจของตนเองแต่ว่ามันไม่ใหม่มันก็แชล็อปออกไปเหมือนกันนะอมันออกไปบางทีมันไปที่ไหนก็ไมร่รู้กว่าจะรู้ได้เอาเรานั่งภาวนานี่นะใจของเราคิดเรื่องอะไรนี่แหละอันนี้โดยมากไปใหม่ไปจะเป็นลักษณะนะั้นแต่ถ้าเขาเก่า มีความพยายามมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจอยู่เราจะกำหนดภาวนาพอมันไปแล้วก็ถอนเออพอไปแล้วก็เอากลับมาภาวนากำหนดพุดโทโธพุโทโธพุโทโธอีกอย่างเก่าหายใจเข้าพุทหายใจออกโธอีกสักวันหนึ่งนะเออไม่เหลือวิสัยใจของเราจะเข้าสู่ความสงบได้เมื่อเมื่อจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบแล้วนั่นแหละทีนี่เราจะรู้ว่าอูจิตใจมีความสุขจริงๆอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสไว้ว่า นัตติสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเราจะรู้ได้สัมผัสได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าระดับของพระพุทธเจา้าระดับของพระอรหันต์ระดับของผู้ชำนิชำนาญในสมาธินั้นอันอีกระดับหนึ่งแต่ระดับของเรานี่ก็เถอะนะดีกว่าจิตใจของเราปุ่งฟุ้งซ่านถ้าจิตใจของเราปุ่งฟุ้งซ่านทั้งวีทั้งวันพวกเราปวดศีสระเผลอเผลอตาแดงเอางั้นแต่คนคิดมาก เพืเ่อจะเป็นบ้าเอาอะไรง่ายๆเพราะนั้นคนคิดปรุงฟุ้งซ่านมากๆ ม, ม, มันมีแต่ความทุกข์นะอันนี้เราไม่เคยคำว่าสงบนั้นเป็นยังไงแต่ถ้าพวกเราฝึกหัดอย่างที่อาตมาภาพได้พูดไปเนี่ยจิตใจพวกเราเข้าสู่ความสงบแล้วเราจะมีความสุขแต่วิธีการทำสมาธินะั้นมีมากมายหลายอย่างกว่ากรรมฐาน40แต่หลวพ่อจะขอแนะนาสักสองสาอย่างให้แกพวกเราเป็นทางเลือกนะ บางคนก็กำหนดลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทอันนี้คืออันหนึ่งละอันนี้คือกรรมฐานของพ่อแม่ครูบาอาจารย์กรรมฐานของหลวงปู่มั่นของพวกเรากรรมฐานของครูบาอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่มั่นท่านจะสอนให้ภาวนาภาวนาพุทโทหายใจเข้าพุทธหายใ จ, ใจออกโทอันี้คือกรรมฐานแต่หลวงพ่อจะแนะนําอีกส่วนหนึ่งก็คือเวลาหายใจเข้าให้พวกเราทดลองนับดูนะให้นับดู หายใจเข้าหนึ่งหายใจออกสองหายใจเข้าสามหายใจออกสี่หายใจเข้าห้าหายใจออกหแต่ไม่ต้องนับไม่ต้องเกรงไม่ต้องกลึงไม่ต้องอะไรทั้งหมดนะเพียงแต่ว่าเวลาหายใจเข้าให้นับหนึ่งเวลาหายใจออกให้นับสองเพียงแต่ว่าให้รู้ให้มีสติสัมปชัญญะรู้ว่าลมให้หายใจเข้าแต่ให้นับแล้วหายใจออกนับนับถึงรอยถ้านับถึงร้อยไม่หลงไม่เผลอ แสดงว่าสติของเราใช่ได้ดีถ้านับอีก200ไม่เผลอก็ดีถ้านับถึง3าสี่ห้าหกร้อยไม่เผลอดีจากนั้นก็ค่อยกำหนดลมหายใจเข้าออกแต่มันจะเผลอมันเป็นยังไงเวลามันจะเผลอเนี่ยคือเวลาหายใจเข้ามันเป็นเลขขี้นะเวลาหายใจออกมันเป็นเลขคู่นะเออคือหนะึ 3, 4, 5, 6, นะ่งสองเนี่ยสามสี่ห้าหเนี่ยเออใครว่ามันเป็นขี้คู่ขี่คู่คี้คู่ไปเรื่อยๆถ้าถ้ามันจะเผลอเนี่ย หายใจเข้าเนี่ยเฮ้มันจะเป็นห้าสิบสองอย่างเนี่ยหายใจออกเป็นห้าสิบสามอันนี้แปลว่าใช้ไปได้แหละสติเราขาดแลายช่วงนะเออต้องกลับมาใหม่เออต้องตั้งต้นใหม่เออต้องนับหนึ่งใหม่เออเอาดูสิเป็นยังไงนั่นแหละมันจะรู้ได้ถ้าว่าเราเผลอบ่อยๆคณับนับไปถึงสิบมันก็เผลอไปแล้วแสดงว่าสติของเราเนี่แย่มากเลยนะเออแย่มากแล้ ว, นะลวเผลอๆจะเป็นบ้าเอาไนงะถ้าว่าเราไม่ เราไม่ฝึกฝนถ้าเราไม่ตั้งกรรมฐานให้ดีนะเพราะนั้นขอให้พวกเราตั้งกรรมฐานนีนถ้าคนมีสติสัมปชัญญะแล้วจะไม่เป็นบ้าพูดอย่างนั้นอย่างนั้นได้คนมีสติแล้วจะเป็นบ้าได้ยังไงไอคนที่ขาดสตินั่นคือคนเป็นบ้าไม่รู้จักอะไรพอคิดไปแล้วกิคิดปั่มๆเปืเปอ่ปอๆวิตกกังวลเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเรื่อยอันนี้แปลว่าเราขาดสติเพราะนั้นเราต้องฝึกสติสัมให้มีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเอง นี่แหละวิธีการฝึกหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองจากนั้นเมื่อถ้าเราจะฝึกอีกแบบหนึ่งอีกจิตใจของเราเรานึกคิดเรื่องอะไรในขณะนี้เดี๋ยวนี้เราเอากรรมฐานหรือเอาพุทโธยอยู่ในใจของเราเลยเถไม่ต้องยึดลมเพื่อไม่ต้องยึดลมให้ยึดกับตัวผู้รู้ๆอย่างนะั้นพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธจนไม่มีช่องว่างเลยเหมือนกเถอะให้พุทโธอยู่ในใจเออันนี้ก็นี่แหละ คูบาจารย์ท่านก่อนแนะนําจนไม่มีช่องว่างจนไม่มีอารมณ์ไม่มีใจที่จะต้องคิดไปทางอื่นมีพุโทโธพุโทโธแต่อย่าไปเก่งอย่าไปกลึงอย่างว่านะถ้าเราไปไปเก่งไปเพ่งมันมากเกินไปทําให้ปวดศีรษะนะวิงเวียนศีรษะอันนั้นก็ไม่ดีถ้ามันถ้าเราเพ่งมากเกินไปมันจะเวียนศีรษะเพราะนั้นให้พุทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธธรรมดา ให้มีสติเท่านั้นอันนี้แหละวิธีการทําสมาธิทีนี้ทนี้อย่างพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัตินอกเหนือจากทาสมาธิแล้วท่านให้ทําอย่างไรท่านว่าให้ทําวิปัสสนาทีนี้สมาธิวิปัสสนาหรือสมัตวิปัสสนาวิปัสสนานทำอย่างไรวิปัสสนาท่านให้พิจารณาพิจารณาอะไรพิจารณากรรมาฐานห้านี่แหละเป็นหลัก เกสาผมโลมาขนนค า, าเล็บทันตาฟันตะโจหนังและกรพิจาณามังสังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าอยู่ในร่างกายของเรานี่มีไหมโครงสร้างของร่างกายของเราคือกระดูกใช่ไหมให้ดูใช่ไหให้เห็นโครงกระดูกของตัวเองเต้แต่หัวจดเท้าเนี่ยเราโครงกระดูกใช่ไหมอันนี้เราคือวิพัฒนาแล้วน วิปัสนาคือวิปัสสนึกคือความนึกคิดแต่ให้นึกคิดตามความเป็นจริงเป็นจร right? like, ิงอย่างไรนึกคิดอย่างนั้นเรามีตับใช่ไหมเรามีปอดใช่ไหมเรามีหัวใจใช่ไหมเรามีลำไส้ใช่ไหมเรามีอุจจาะอยู่ในลำไส้ใช่ไหมอย่างนี้เรามีเลือดใช่ไหมออย่างเนี้ยมันมีทั้งหมดเพราะฉะนั้นให้พิจารณาตามความเป็นจริงร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นจริงอย่างนี้ใช่ไหมเทศคําว่าใช่ไหมนี่คืออะไรคือใจ คือมโนมโนปุปพังอย่างที่ว่านั่นแหละคือผู้รู้เนี่ยะให้พิจนารณาร่างกายร่างกายนี่ร่างกายเนี่หมือนกับรถอย่างที่หลวงพ่อเคยเปรียบเทียบให้ฟังรถมันมีอะไรเออรถมันมีลูกโซบใช่ไหมเอมันมีฟันเฟืองใช่ไหมมันมีโซ่ใช่ไหมเออมันมีสายพานใช่ไหมไล่ไปมันก็ถูกใช่รถมันก็ต้องเป็นอย่างนั้น อ, อันนี้เหมือนกันร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหม ถามใจของตัวเองใจของเราก็ต้องเออใช่ใช่ใช่ใช่ทีนี้เราพิจารณาดูตั้งแต่หัวจุดเท้าทีนี่กระดูกตั้งแต่ศีรษะลงถึงนิ้วเท้ากระโหลกศีรษะมันเป็นลักษณะอย่างไงเบ้าตามันเป็นยังไงมันเราไม่ต้องให้เห็นเนื้อเห็นหนังแหละเออไม่ให้เห็นเนื้อเห็นอะไรทั้งหมดเห็นให้เห็นกระดูกทีนี่มองเห็นกระดูกกระโหลกศีรษะเราเป็นยังไงเบ้าตาของเราเป็นยังไง กระดูกกระดูกฟันเราเป็นยังไงกระดูกขากรรไกรเราเป็นยังไงกระดูกคอเราเป็นยังไงกระดูกหาปาระเราเป็นยังไงกระดูกแขนขวาเป็นยังไงกระดูกข้อศอกเป็นยังไงกระดูกช่วงล่างของแขนเป็นยังไงกระดูกฝ่ามือเป็นยังไงกระดูกนิ้วมือเป็นยังไงแต่ละนิ้วเป็นยังไงดูให้ชัดเจนจากนั้นกระดูกแขนซ้ายอีกพอดูแขนซ้ายเสร็จแล้วกระดงหมดกระดูกชี้โค้งท่นี่กระดูกสันหลังเรามาก็มีชี้โค้งเป็นซีที่มันหุ้มตับหุ้มปอด หุ้มกลมาไส้ของเราอยู่ลงไปถึงกระดูกกระโปกกระดูกเชิงกานกระดูกขากระดูกเข่ากระดูกแข้งกระดูกฝ่าเท้าให้เห็นกระดูกอันนี้แหละรลยวะวิปัสนาวิปัสนาคือวิปัสสนึกอย่างที่หลวงพ่อพูดให้เห็นตามความเป็นจริงในเมื่อเราเห็นตามความเป็นจริงแล้วร่างกายของเราเนี่ยมันไม่ใช่เรานะให้เห็นเลยนะทีนี้ พรเห็ุอะไรจึงไม่ใช่เราเราไม่บอกไม่ให้มันแก่มันก็แก่บอกไม่ให้มันเจ็บมันก็มันก็เจ็บบอกไม่ให้มันตายมันก็ตายร่างกายนี้ถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนเอ่หมผ้าให้ดีขนาดไหนอาหารดีขนาดไหนหยกยาดีขนาดไหนดูแลปนปือดีขนาดไหนร่างกายนี่ก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมอไม่ใช่เราไม่ให้แก่มันก็แก่ไม่เจ็บมันก็เจ็บไม่ให้ตายมันก็ตายผลที่สุด เออมันไม่ฟ i mean, okay. ังใจของเราเลยทีนี้ใจของเราเป็นทุกข์กับมันนะทีนี้พอร่างกายแก่เท่านั้นแหละเออเป็นทุกข์กับร่างกายทีนี้นี่แหละพราะพระเจ้าตรัสบอกให้ดูกายกายน่ยไม่ใช่เรานะใจนะเนี่ยจากนั้นก็มองกายกายไม่ใช่เราจากนั้นก็มองใจอีกใจของเราเนี่ยก็ยังไม่ใช่เราอีกเพราะเหตุอะไรเราไม่ให้มันทุกข์มันก็ทุกข์เราไม่ให้มันโกรธมันก็โกรธไม่ให้มันโลภมันก็โลภไม่ให้มันหลงมันก็หลงใจของเราเนี่ยก็ไม่ใช่ใจของเราอีกทีนี้ ให้มองใจของเราอีกนี่แหละธรรมะของพระพุทธเจ้านะี่มีหลายชั้นหลายภูมินะถ้าพวกเราได้ศึกษานํามาประพฤติปฏิบัติแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้านะเป็นธรรมะที่ลึกซึง้งเ อ, อท่านให้เห็นตามความเป็นจริงจากนั้นปฏิเสธกระทั่งความรู้สึกนึกคิดของใจอีกใจของเรานี่ก็ไม่ใช่เราอีกเหมือนกันเป็นอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาทั้งหมดร่างกายก็เป็นอนัตตาจิตใจตัวรู้ร อนี่ก็เป็นอนัตตาเพราะเหตุใดจึงว่าร่างกายใจของเรานี่เป็นอนิจจังคือของไม่เที่ยงสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนั้นสิ่งไห น, น, น, <driveway, S 1> นเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนของเราในเมื่อเห็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนปฏิเสธกระทั่งใจไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นในเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วเราจะรู้อย่างไรเมื่อถ้าเราปฏิบัติถึงจุดนั้นแล้วเมื่อเราปฏิเสธถึงอย่างนั้นแล้วนั่นล่ะ ทำเป็นอมะตะธรรมจะผลขึ้นและเกิดขึ้นในใจของเราเหมือนแต่ก่อนเราเป็นคนโง่เราเรียนหนังสือไม่ออกเราอ่านหนังสือไม่ออ ก, เ, อนนอออกเพราะเราไม่ได้เรียนหนังสื อ, อยังไเมื่อเราเรียนรู้แล้วความฉลาดก็เกิดขึ้นมาในความโง่ตัวนั้น่ะเรารู้แล้วนี้ก็เหมือนกันเมื่อเราพิจารณารู้เห็นตามความเป็นจริงปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วความบริสุทธิ์ปลดพ้นก็จะเกิดขึ้นมาในจุดนั้นละ่ะนี่นิพพาคือความเบื่อหน่ายคลายและก็หลุดพ้นจากอาสวะกิเลส ไม่เ ม, มาวเปลียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารอันนี้คือวิปัสสนาออกมาจากวิปัสสนึกนึกคิดซะก่อนแต่อันดับแรกคือทําจิตให้สงบเตรียมจิตให้เป็นหนึ่ง เ, เมื่อจิตเป็นหนึ่งแล้วเราจะพิจารณาทางด้านปัญญาก็เกิดปัญญาที่แท้จริงอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าสุดตรรมะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังกินตรรมะปัญญาปัญญาเกิดจากการกินตนาไข้ควรทบทวน สิ่งที่ได้เห็นได้ยินนั้นและกัภาวนามย์ปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทําจิตใจให้สงบซะก่อนเมื่อจิตใจสงบเป็นหนึ่งแล้วนํามาพิจารณาเกิดปัญญาที่แท้จริงถ้าจิตใจของเรายังไม่สงบมันยังล้วนเละมันยังพวักผวาวนมันยังคิดปุงฟุ้งซ่านมันไม่ไม่ควรแก่การงานแต่ถ้าเราจิตใจของเราสงบเป็นหนึ่งแล้วนํามาพิจารณาทางด้านปัญญาเห็นอนิจจังเห็นร่างกายเห็นกระดูก พิจารณาอะไรเห็นชัดเจนในความรู้สึกนั้นๆเพราะจิตผ่านความสงบแล้วเพราะฉนั้นขอให้คณะทธาญาิโยมลูกหลานทุกคนน่ยให้เป็นผู้มุ่งมั่นจะตั้งอยู่ในความประมาทส่วนพระสงฆ์ครูบาอาจารย์น้องนุ่งทั้งหลายก็ดีที่หลวงปู่อมที่ท่านเป็นประธานน่ยไม่ว่าแหละท่านเป็นพระเถระผู้เท่าแล้วแต่พวกน้องนุ่งทั้งหลายขอให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าทำ ทำในสิ่งที่ดีที่เหมาะที่สมที่ควรหลวงพ่อไปนะสถานที่ใดบอกกล่าวถ้าพระสงฆ์หมูน้องนุง่นงทั้งหลายหมู่พวกเพื่อนครูบาอาจารย์ทั้งหลายไม่บอกกล่าวไม่แนะนํากันใครจะเป็นคนแนะนําพวกเราเพราะฉะนั้นพวกเราพี่น้องกันก็ต้องบอกกล่าวกันเออจะทําทอย่างนั้นอย่างนี้เน้อพี่น้องเน้อลูกหลานเน้อพระเนตรเนอถ้าทำไม่ดีไม่ดีเนะ้อคณะสัตธาญาติโจมเขาเขาเห็นพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าทําตัวไม่ดี เขาไม่สบายอกไม่สบายใจกับพระเนอให้ตัวเองกราบตัวเองให้ได้กราบตัวเองยังไงข้าไปเจ้าทำตัวอย่างนี้มีศีลอย่างนี้มีสมาธิอย่างนี้ข้าไปเจ้ากราบข้าไปเจ้าได้ไหมกราบได้เพราะเราเป็นผู้มีศีลแต่ถ้าเราเป็นผู้ไม่มีศีลออกนอกลู่นอกทางถ้าพระอย่างเราเนี่ยเป็นเนนอย่างเราเนี่ยเราจะกราบเราลงไหมกราบเราลงไหมเนี่ย โวยกาบไปลงหรอกเพราะเหตุไรเพราะเราทําตัวอย่างนี้เราจะกราบลงได้ยังไงแสดงว่าเราเป็นผู้ไม่มีศีลแล้วจะให้คนอื่นกราบเราได้ยังไงคนอื่นกราบเราก็อย่างที่ว่าน่นนะี่ยกาบด้วยความไม่สนิทใจพวกเราให้กราบเขากราบเราก็ไม่สนิทใจอีกเหมือนกันขนาดตัวเองก็ยังกราบตัวเองไม่ลงเนะีเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราอยู่ในศีลในธรรมที่หลวงตามหาบัวท่านบอกว่าถึงจะโง่แสนโง่ก็ให้โง่อยู่ในศีลในธรรม จะฉลาดก็ให้ฉลาดอยู่ในศิลในธรรมอย่าไปฉลาดแหวกแนวท่านว่าเงั้นนะในพรนั้นขอฝากไว้กับน้องนุ่งท้งหลายและก็อีกส่วนหนึ่งครวญาติโจมกับหลวงพ่อได้กล่าวว่าจะตั้งอยู่ในความประมาทให้สังสมคุณงามความดีเอาไว้กรรมชั่วจะทําทเสเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมเาผาผลาญเมื่อภายหลังอันนี้ก็คือบอกกล่าวศรัทธาญาติโยมส่วนขราชการก็เหมือนกันหลวงพ่อเคยบอกกล่าวนะขราชการทุกหมู่ทุกเหล่า เดี๋ยวนี้เรากินเงินเดือนของใครหลวงพ่อบอกอย่างนั้นนะพวกเดี๋ยวนี้เรากินเงินเดือนของใครกินเงินเดือนของหลวงใช่ไหมกินเงินเดือนของรัฐบาลใช่ไหมใช่รัฐบาลนเก็บเงินมาจากไหนเก็บเงินภาษีพี่น้องประชาชนเงินภาษีพี่น้องประชาชนมาเป็นเงินเดือนของเราสรุปแล้วก็คือพี่น้องประชาชนเป็นผู้ให้เงินเดือนเราเราทางานขนาดนี้ทางานเพียงพอหรือยัง ทำถูกต้องได้ออยังถ้าเป็นเงินของเราเราจะกล้าจ้างเราไหมถ้าเราทํางานอย่างนี้อันนี้ก็ค่ายก็อยากจะให้ข้าราชการทุกหมู่ทุกเหล่าคิดอีกเหมือนกันแต่ถ้าไม่คิดมันจะหลงมันจะลืมตัวว่าตัวเองมีเงินน้อยเงินเดือนน้อยไม่พอใช้ถ้าไม่พอใช้เขาก็มาเดีขอร้องให้เราอยู่เราออกไปทําไร่ทํานาไปทำมาค้าขายอย่างอื่นก็ไปได้แต่ทําไมเราทุบซีอยู่ทําไมเมื่อเงินเดือนน้อยแต่เมื่อเราอยู่คนอื่นเขายังอยู่ได้ เราก็ต้องทําการทํางานให้คุ้มค่าเงินเดือนที่เขาให้มาเนี่แหละอยากจะให้พวกเราทุกหมู่ทุกเหล่าว่าฝ่ายพระก็เหมือนกันฝ่ายข้าราชการโ ย, ยงก็เหมือนกันฝ่ายข้าราชการทุกหมู่ทุกเหล่าก็เหมือนกันให้โอปัญญิโกให้มองตนเองเอสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าทําอย่าคิดอย่าคิดอย่าพูดอย่าคิดอย่าทําอย่าพูดในสิ่งที่มันไม่ดีถ้าทําออกไปแล้วมีแต่ความ เดือดร้อนวุ okay, okay. use, like mm ่นวายทุกวันนี้โลกทั้งโลกเดือดร้อนวุ่นวายก็พ่อโลกทั้งหลายคิดส่งออกไปแต่ข้างนอกคิดอยากจะทําให้คนนั่นดีคนนี้ดีแต่ตัวเองไม่มองตัวเองข้าพเจ้าเนี่คนจะเป็นคนดีคนหนึ่งให้นับหนึ่งจะกข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะเป็นผู้มีศีลมีธรรมข้าพเจ้าจะไม่ทําความชั่วจะเจ้าข้าพเจ้าจะไม่พูดสิ่งที่ไม่ถูกต้องข้าพเจ้าจะพูดในสิ่งที่ถูกต้องข้าพเจ้าจะทําในสิ่งที่ถูกต้อง จะข้าพรเจ้าจะคิดในสิ่งที่ถูกต้องถ้าพวกเราคิดโอปัญญโกน้อมเข้ามาหาตัวเองอย่างนี้อหลวงพ่อว่าโลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นสุข อ, อวิ ช, ชาในโลกพระพุทธเจ้าวิ ช, ชาจรณะสัมปันโนวิ ช, ชาคือความรู้จรณะคือความประพฤติะเออถ้าว่าพวกเรามีแต่ความรู้ขาดความประพฤติเการปฏิบัติตนเป็นคนดีแล้วโลกเดือดร้อนอฝรั่งเขา พหดทุกวันเนี่ยไอ q ิ q เอมอมันหลายคิวสรุปแล้วก็คือ I-Q ก็คือเป็นผู้มีชติปัญญาเฉลียวฉลาดนะ E-Q e เป็นผู้รับผิดชอบคล้ายๆกับเปเรียบเทียบของเราก็จารณะสำปนโนคือมีความประพิดดีแล้วก็ M-Q MQ เเป็นผู้มีนิสัยดีดั้งเดิมแต่สมัยเป็นเด็กก็เป็นเด็กดี เมื่อเรียนหนังสือก็ดีเมื่อเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาก็นิสัยสุขุมคำ้ำภิรลภาพทำการงานได้ดีนอันนี้แปลว่า็ิวเนะีเพราะนั้นพวกเราจะเป็น i q m q ได้พวกเราจะทำยังไงต้องฝึกนะต้องใช้สติปัญญาฝึกฝึกตอนให้เป็นคนดีคิดดีทำดีพูดดนะีถ้าพวกเรามีความพยายามมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวแล้ว อันดับแรกเราก็จะร่มเย็นเป็นสุขผู้เกี่ยวข้องผู้อยู่ใกล้ชิดเราสามีภรรยาลูกหลานญาติพี่น้องเพื่อนฝูงก็ร่มเย็นเป็นสุขด้วยกันเพราะเป็นคนมีธรรมมีคุณธรรมอยู่ด้วยกันถ้ามีแต่กิเลสโลภโกรดหลงอยู่ด้วยกันมิตรเผากันนะเมื่อเผากันและมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายไปทั้งหมดอยู่กับพระสงฆ์ก็เดือดร้อนวุ่นวายอยู่กับคณะสัตธาญาติโยมก็เดือดร้อนวุ่นวายแต่อยู่กับหมาเนี่ยพวกเราเห็นไง หมาไปเห็นหมามันหญิงเขี้ยวซึ่งกันเอ่มันก็เดือดร้อนวุ่นวายอีกเหมือนกันเอ่เพราะหมามันเห็นกันมันหญิงเขี้ยวซึ่งกันเพราะทิฏฐิมานะแม่นี่แหละหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจา้าท่านให้มองตนเองเนอะคณะสัตายาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่านอแม่หลวงพอ่อเลยยกบาลีเบื้องต้นอขึ้นมาหลวงพ่อก็ได้อธิบายให้ฟังแล้วแม่แล้วก็อันดับแรกหลวงพ่อได้กล่าวถึงหลวงปู่ฟักเอ่ท่านเป็นร่มโพร่มใส ท่านเป็นผู้มีพระคุณสําหรับเราพวกเราแสดงความกตัญญูกตเวทที่ตายอย่างไรตลอดถึงพระสงฆ์น้องนุ่งทางหลายที่เป็นน้องนุง่งหรือเป็นน้องของหลวงปู่ท่านเป็นพี่ของพวกเราพวกเราควรจะแสดงความกตัญญูอย่างไงเมื่อท่านจากไปก่อนพวกเราพวกเราควรจะมาหันหน้าเข้ากันช่วยกันจัดงานของท่านให้เรียบร้อยราบรื่นจากนั้นก็พวกเรา หลวงพ่อได้กล่าวถึงความไม่ประมาททุกหมู่ทุกเหลา่าควรจะสั่งสมคุณงามความดีตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกดีอย่างพุทธพุทธจ้าวท่านสอนพ่อของนายช่างทองก่อนที่จะตายไปนั้นได้เตรียมการอะไรไว้บ้างเตรียมสเสบียงเดินทางไว้หรื อ, อยังและจะไปพักที่ไหนและกัการเกิดมาของมนุษย์ของสัตว์ที่รฉานของเทวดาของพรหมมีหลายระดับ เรามองเห็นสัตย์รจฉานเป็นยังไงแต่ละประเภทมองเทวดามองมนุษย์ก็เหมือนกับเรามองสัตย์รจฉานอย่างนั้นะจากนั้นก็นรกสวรรค์มีจากนั้นก็ น, กรรกนี่แหละคนเราเกิดมาไม่รู้ว่ายากว่าจนตายด้วยกันทั้งนั้นนางปัดตายจารากับสามีเวลาทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลหลวงพ่ออยากจะกล่าวให้แกบอกกล่าวให้แกพวกเรา ให้ทำพร้อมหน้าพร้อมตากันเวลาทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลไม่ใช่แบบมัดขากบใส่ขาหนนะูหนูก็ปีนขึ้นบนบกกบก็กระโดดลงน้ำ อ, อย่างนั้นสามีภรรยาไม่ไปด้วยกันเวลาไปเกิดพบหน้าชาติเน่าอย่างที่ว่านางปัตตาจจราก็เป็นลูกเศรษฐีสามีก็เป็นคนรับใชอ้อย่างนั้นแหละเพราะอะไรพราคนมีบุญกับคนไม่มีบุญไปเกิดด้วยกันแต่ผลยังไง ในความผูกพันลึกๆในจิตใจกัอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านหลวงพ่อพูดวันนี้พูดในแนวความคิดให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาแต่พวกหลวงพ่อพูดมีแต่เออเองเออเอยธรรมดามันอก็จบไปแต่นี่หลวงพ่อพูดให้ฟังให้พวกเราได้คิดว่าหลวงพ่อพูดเข้าไปเป็นยังไงมีเหตุผลไหมหลวงพ่ออ้างเหตุผลให้ผู้ฟังเข้าใจนี่ว่า